มาจากที่ไหนเทพเทพเลยเคยมาป่ะเคยครับอือฮะฟังอยู่ที่บ้านเนียฟังอยู่ที่บ้านครับฟังทุกวันฟงคุยกันถ่ายทอดสดเนี่ยสัญญาณดีไหมมีช่วงเป็นที่ที่ตอนนั้่มีปัญหาอยู่สองสามนยูทูบมัครับ รัวษานี้ก็ดีค่อนว่าดีอของมันก็ต้องเสียบ้างการพยายามแก้ไขไปทุกอย่างมันไม่เที่ยงไม่มีอะไรแน่นอนมีมีอะไรจะถามไหมวันนี้ ก็อเรปฏิบัติก็ติดขัดก็ฟังพระจังก็จะแก้ไปได้ะะเป็นตัวประเทศไปหมด่อนก็จะเข้าใจมันมันต้องปฏิบัติควบคู่ไปกับการฟังถ้าฟังแล้วเราไม่ปฏิบัติเดี๋ยว เ, เดี๋ยวมันก็ลืมพเพิ่งเมได้ม ก, กี่เดืนเอนทไปเรื่อยๆตอนต้นนี่ก็เอาสติให้ได้ก่อน บีีอย่างน้ครัที่เราว่าอของสุขนกนิโรหเนี่ยที่ไม่แท้ไม่เที่ยงเนี่มันไปพ่วงกับเวทนาได้ไหมครับเวทนาเนี่ยมันมีสุกมีตุก<ช>มีสุขเนี่ยเกิดขึ้นแล้วก็ดับไปอเพราะฉะเราเทียบเวทนาเนี่ยกับของสุกนิโลกได้ไหมครับได้ก็ความสุกนโร ก, ก็มันก็มาในรูปของเวทนาของสุขเวทนาแต่มันไม่มีสุขเวทนาอย่างเดียวมันมีทุกเวทนา เ, า, เาไปเจอทุกขเวทนาเราก็เลยทุกกันแล้วอในทุกในอริยสัจสี่นะครับอว่าการมตนาเนี่ยอืมโลกก็ว่าเป็นสุขอืมแต่จริงๆมันเป็นทุกขผมก็เอามาพ่วงกับเวทนาอย่างนี้ก็ถูกไปครับนสุขในโลกนี้ก็ไม่เกี่ยงว่าเกิดขึ้นก็ดับไปมันก็เวทนาเหมือนกันคือ ทุกในอริยสัจนี่มันเป็นทุกข์อีกตัวหนึ่งไม่ใช่เป็นทุกขเวทนา ท, ทุกขเวทนานี่มันเกิดดับเหมือนกับสุ ข, ขเวทนาแต่ทุกทางใจทุกในอริยสัจนี่มันเกิดเพราะความอยากเวลาไม่มีความอยากมันจะไม่เกิด เช่นคนสองคนเนี่ยจะเจอทุกขเวทนาเหมือนกันแต่คนหนึ่งกลับไม่ทุกอีกคนหนึ่งทุกเพราใจเขาไม่คนที่ไม่ทุกเพราะเขาไม่มีความอยากเขาไม่มีความอยากให้ทุกขเวทนานั้นหายไปเขาอยู่กับทุกขเวทนาได้เหมือนสองคนไปติดคุกเนี่ยคนหนึ่งสุขอีกคนหนึ่ง เฉยๆอีกคนนึงทุกข์อีกคนหนึ่งเฉยๆคนที่เฉยๆก็คือเขาอยู่ก็ได้เขาออกก็ได้แต่คนที่ทุกข์เขอยากจะออกกับคุกแล้วก็ไม่ได้ออกอันนี้ยทุกข์ที่เกิดจากความอยากนี่มันต่างกับทุกข์ที่เกิดจากทุกขเวทนา<ๆ>คนสองคนหิวข้าวความหิวข้าวนี่มันทุกขเวทนาใช่ไหม คนที่ไม่ได้อยากกินข้าวเฉยๆมีกินก็กินไม่ม <TA 1> ีกินก็เฉยๆเขาก็ไม <or> in ่ทุกข์ทางใจก็เข้าใจเพื่อเพืนนะครับแต่ว่าเวลาพิจาราบังทีผมแนวใทางนี้ว่าของการมตัมหานี่นะครับก่อนเสษก็อยากอยากไม่ทุกข์อันนี้ฟัง อาจาย์อยู่อ่ะกับความอยากเป็นมอมทุกข์แต่เสร็จแล้วพอได้แล้วอเสร็จได้แล้วได้แล้วแก้แหวนเงินทองก็ได้แล้วอืมก็สุขจริงแต่ว่าสุขก็ดับไปมันไม่นาน ม, มันไม่จีรังยั่งยืนเอไม่พิจารณาไม่รู้อพิจารณารู้ว่าขอพวกนี้เนี่ยสมมติเราสิ่งของสิ่งหนึ่งเราเป็นนักสะสมสมตมติชิ้นแรกเราก็ได้มาเราก็สุขแล้วมันก็ดับไปเพราะความอยากมันยังมีอยู่ มันก็ทีนี่สองได้มาแล้วก็สุกถ้าสุกก็ดับไปก็อยากที่สามสี่้าจนข้าวของเต็มบ้านแล้วก็ยังอยากกันยังทุกอยู่ดีใช่ก็เริ่มพิจารณาว่าไม่พิจาราไปเรื่อยแล้วและอย่างนี้จะอยากทำไมให้ทุ ก, อ, กอยากแล้วได้มาแล้วมันก็กลับมาปุ๊บ ก, ก็ไม่อยากอย่างนี้พอใช้ได้นะครับ ยังไม่ได้เลยยังไม่ได้ครับต้องเอาของทั้งหมดที่มีอยู่ให้คนอื่นไปอะไทาักยงไม่รู้ไปยกใหนไปให้หมดเลยเมื่อมันทุกขตอนนี้ก็ิดบ้างแล้วค่ะขายทบุญบ้างครับเอาไปทาบุญให้หมดทาทําทานให้หมดแล้วมันก็จะได้มันจะได้ไม่ทุกเพราะถ้ายังมีอยู่แสดงว่ารัเดียวแสดงว่าเรายังหวงมันอยู่ยังเสียดายยังรักมันอยู่ เกายังไม่เชิงผมนะครับไม่ไม่เชงผมแต่ไม่ไม่เชิงปล่อยคือคนเรามันชอบไม่เหมือนกันนะครับให้สิ่งนี้เขาก็ไม่อยากขายสิคนเราชอบอย่าไปอ้างคนนับเลยนะครับก็เอาไปประตูก็ไปเก็บเอาไปขายในในอินเทอร์เน็ตก็ได้นะถ่ายรูปขายขายถูกถุงเดี๋ยวคนก็ซื้อกันเองนะ เราก็อ้างอย่นี้ได้างทุกไม่ชอบก็เลยไหมจะได้ไม่ต้องให้เขาอ็จำได้ใช่ไหมมันก็ยังโหวงอยู่ยังโหวงคอถ้าไม่โหวงก็ไปตั้งไว้ที่หน้าบ้านเขียนเลยใครอยากได้เอาไปแล้วดูสิว่าคนที่มาอยากได้มี้หมล้นบ้านแล้วคือเราเห็นทุกข์แต่เรายังไม่เห็นทุกข์ที่เกิดจากการที่ต้องดูแลรักษามันยังไม่เห็นทุกข์ที่จะต้อเวลาต้องพัดพาคจากมัน เ ว, เวลาคนโมยขึ้นบ้านดูจะ เ, เจ้าโกรธไหมเวล า, าลเขาใช้พิจารณาใช้ภาวนาก็เ ข, า อ, ขาอย่างที่กัาอาจารย์บอกมันก็ยังยังหลมไปอยู่บ้างต้องเอาให้ให้เปลีย่ยนแต่ได้ไปเยอะแล้วครับที่เป็นความจริงแม้แต่ร่างกายนี้ก็ต้องยกให้เขาไปเหมือนกันทุกอย่างไม่ใช่ของเราถ้าเราหวงมันจะทำให้เราทุ ถ้าเราไม่อยากจะทุกข์เราก็ต้องยอมเสียทุกอย่างเพราะของทุกอย่างที่เราได้มามันไม่ได้เป็นของเราเลยแม้แต่ชิ้นเดียวเป็นเหมือนของยืมเข้ามาสักวันหนึ่งก็ต้องคืนเข้าไปให้คิดอย่างนี้นี่คือขั้นต่อไปขั้นแรกก็หยุดกอบโกยพอแล้วโกยเท่าไหร่ก็ไมก่ก็เหมือนเดิมก็ยังอยากเหมือนเดิมยังทุกข์เหมือนเดิมอยู่ก็หยุด กอบกลัมันก็จะไม่ทุกข์จากการกอบกลัวอิ่มว่ะหยุดทำงานมันอิ่มอ่ขั้นต่อไปก็ยหยุดุดูแลาราักษาแล้วหยุดหวงแล้วต้องต้องเตรียมตัวจากมันแล้ววันใดวันหนึ่งมันก็ต้องมีการพลาดลาดจากกันเป็นธรรมดารวมถึงร่างกายด้วยตัวที่สำคัญที่สุดก็ร่างกายเนี่ย ไม่มีสมบัติที่ไหนที่จะมีความสำคัญเท่ากับร่างกายของเราสิ่งที่เรารักมากที่สุดห่วงมากที่สุดก็คือร่างกายของเราแต่ร่างกายของเรามันก็เป็นเหมือนสมบัติต่างๆที่เราได้มาเองแต่ว่าเราไม่รู้เราไปคิดว่ามันเป็นตัวเราของเราเราจะยิ่งรักยิ่งห่วงยิ่งกว่าอะไรทั้งหมดแต่มันก็ไม่ใช่ตัวเราถ้าเราศึกษา ตามหลักทฤษฎีก็เป็นของพ่อแม่เราเพียงแต่มารับเป็นของขวัญจากพ่อแม่เราคือดวงวิญญาณที่ตายไปจากร่างกายอันก่อนเมื่อร่างกายเก่าตายไปก็ต้องหาร่างกายใหม่ก็พอดีได้มาพบร่างกายอันนี้จังหวะพอดีเหมือนเราขับรถหาที่จอดรถเนี่ยเวลาเราไปจอดรถเราไปเลือกที่จอดได้ไั้ย เราก็ขับไปเรื่อยๆช่องไหนว่างแล้วก็วบเข้าไปการมาเกิดได้ร่างกายนี้ก็ลักษณะนั้นพอถึงเวลาจะได้ร่างกายพอเจอร่างกายไหนได้ก็เอามันเลยเราเลือกไม่ค่อยได้ก็เลือกมันก็ต้องเหนื่อยต้องเหมือนหาที่จอดรถเนี่ยถ้าอยากจะหาที่จอดที่ถูกใจอาจจะต้องวนหลายรอบเลยอันนี้ก็เหมือนกัน เราร่างกายเป็นเหมือนที่จอดรถหรือเป็นเหมือนรถยนต์พอรถเก่าของเราพังไปเราก็หารถใหม่พอเรามาถึงตรงจุดที่มีสิทธิ์ที่จะรับร่างกายได้<อ>เราก็เข้าไปรับเลยแล้วเราก็พอคลอออกมาก็ไม่มีใครรู้ว่าร่างกายกับใจนี้เป็นสองคนทุกคนก็คิดว่าเป็นคนเดียวกัน<อ>ก็อะไร ลักตัวกลัวตายลักร่างกายกันเพราะไม่อยากให้ร่างกายดับ mm hmm. ก็เลยทุกขกับร่างกาย mm hmm. อย่าที่เรามาพิจารณานี้เพื่อให้เราไม่ทุกขกับร่างกายให้เรารู้ว่าเราไม่ได้ตายไปกับร่างกาย mm hmm. เราไม่ได้แก่ไม่ได้เจ็บไปกับร่างกายเห็น mm hmm. ร่างกายเป็นของที่ เสียสละยากที่สุดแล้วก็สละของที่ง่ายก่อนก่อนสละข้าวของก่อนลองฝึกดูอย่างวันนี้โยมก็มาฝึกเสียเงินทองก่อนเงินทองนี้เราก็รักเราก็หวงแต่วันนี้เรายอมเสียเพราะเราคิดว่าเป็นการทําบุญฉะนั้นต่อไปเราก็ต้องมองว่าการเสียเงินเสียทองเป็นการทําบุญแล้วเราก็จะไม่ทุกข์ ถ้ากมยขึ้นบ้านมันมวยเงินทองไปก็คิดว่าเป็นการทำบุญถ้าเราคิดอย่างนี้ได้เราก็จะไม่ทุกข์ต่อไปร่างกายเราก็คิดเป็นการทำบุญทำบุญแล้วมีความสุขยินดีให้แล้วมันจะมีความสุขเ<ต>ชญครับผมอยากจะกลับเรียนถามถึงเรื่องของอพพชาติ ชาติาลบรณะเนี่ยนะฮะแล้วที่จุดติเนี่ยมันมีความต่อเนื่องกัน อ, อย่างไรครับหลังจากบรณะและจุดติในอีกภพภูมิหนึ่งครับก็เหมือนกับเราออกจากร่างกายนี่เราก็ไปหาร่างกายใหม่ช่วงที่เราก่อนที่จะได้ร่างกายใหม่นี่ก็เป็นช่วงที่เราไปเป็นกายทิพย์ก่อนคือเราเป็นกายทิพย์อยู่แล้วเวลาที่ เราเนี่ยเป็นกายทิพย์แต่ร่างกายนี้เป็นกายหยาบเรามาครอบครองร่างกายนี้กายทิพย์มาครอบครองร่างกายหยาบนี้พอไม่มีร่างกายหยาบนี้กายทิพย์ก็อยู่แบบไม่มีร่างกายหยาบไปก่อนจนกว่าจะได้ร่างกายอันใหม่ช่วงนั้นก็เป็นเหมือนตอนที่เรานอนหลับแล้วฝันเวลาเรานอนหลับนี่เราไม่ได้ใช้ร่างกายใช่เหมมันก็ไม่มีร่างกาย แต่ใจทิพย์ก็ยังไปไปไหนมาไหนได้อยู่ใช่เราฝันว่าเราไปเที่ยวที่นั่นเราไปมีเรื่องที่นั่นที่นี่มีเหตุการณ์อะไรต่างๆช่วงนั้นก็จะเป็นช่วงฝันซึ่งกรรมเป็นผู้กหนดครั บ, บใช่ถ้าเราทำกรรมดีเราก็จะฝันดี<ช>ฝันดีเราก็เรียกว่าสวรรค์<ช>ถ้าเราทำบาปมันก็จะฝันได้มันก็จะเป็นอบายไปจนกว่า มีจังหวะที่จะได้ร่างกายอันใหม่ก็ตื่นขึ้นมาเวลเาคลอดออกมาจากท้องแม่ก็เหมือนตื่นขึ้นมาตื่นแต่เปลี่ยนร่างกายเพราะว่าร่างกายตายเก่าตายไปแล้วแล้วพอตื่นขึ้นมาก็ได้ร่างกายอันใหม่แต่ถ้าเราร่างกายอันเก่ายังไม่ตายเดี๋ยวเราก็ตื่นขึ้นมาเมื่อคืนนี้เรานอ น, น, อนใช่ไหมเรา เวลานอนหลับเราก็อาจจะฝันไปนู่นมานี่ทำ น, นทำนู่นทำนี่แต่มันจะเป็นฝันไม่ยาวเพราะว่าพอเดี๋ยวร่างกายมันร่างกายมันต้องเข้าองน้ำมันก็ทําให้เราปวดฉี่ก็ต้องเราก็ตื่นขึ้นมาเราก็กลับเข้ามาในร่างอพอเวลาร่างกายหลับเราก็อถอดร่างออกจากร่างกายไปเที่ยวชั่วคราวไปเที่ยวในภพภูมิต่างๆสวรรค์บ้างนารกบ้าง แล้วพอร่างกายนี้ตายไปจริงๆกลับมาไม่ได้แล้วก็ต้องไปเที่ยวยาวจนกว่าจะมีคิวให้เราไปรับร่างกายอันใหม่พอพอมีคิวเราก็ไปรับร่างกายอันใหม่ก็อยู่ในรอก้าเดือนก็ออกจากท้องแม่มาก็ตื่นขึ้นม า, าเทวดาพรหมมนุษย์และยริชานเนี่ยนะครับ ไปภายใต้ลักษณะเช่นนี้เหมือนกันหมดเลยครับก็เนี่ยแะพอตายปุ๊บนี้ยพอไม่มีร่างกายปุ๊บถ้าเป็นบุญบุญพาไปก็เป็นเทวดานะถ้าสมาธิพาไปก็เป็นพรหมนะถ้าปัญญาพาไปก็เป็นพระอริยะบุคคลนะถ้าบาปพาไปก็ไปเป็นเดรัจฉานไปเป็นเปรตเป็นอาสุรกายแปะไปนรกเนี่ยาอ ไปเป็นเทพได้ไหมครับเป็นพรหมดนะได้ไหมครับได้เป็นอะไรก็ได้แต่ตอนที่เป็นเนรชานก็ต้องเหมือนกับไปติดคุกติดตารางเนี่ยพอพ้นโทษออกมาพอมาทำความดีมาทาบุญทำทานมารักษาศีลมานั่งสมาธิก็ไปเป็นพรหมได้ไ <ป S 1> จิต น, นี้เป็นได้ทุกอย่าง<ส> อ, อ, อยู่ที่กรรมที่ทำเปลี่ยนได้องคุลีมาเนี่ยฆ่าคนต้องก้า 5, 9, รก้าวสิบก้าคนนะตอนนั้นเป็นยักษ์เป็นมารเป็น อสุรกายเป็นนรกแต่พอมาเจอพระพุทธเจ้าก็เปลี่ยนจากการฆ่าก็มาฆ่าฆ่าคนก็มาฆ่ากิเลสฆ่าความโลภโกรธหลงพอไม่มีความโลภโกรธหลงก็เป็นพระอรหันต์ไปและระยะเวลาในแต่และพระภูมิเนี่ยบางคนสั้นบางคนยาวานั่นเนื่องจากอะไรเหตุใดครับก็อาจจะเป็นเพราะบุญบาปทำมากน้อย ทำบุญมากก็ไปรับผลบุญนานทำบาปมากก็ไปรับผลบาปนะมากถ้าไม่ทำบุญทำบาปไปตายพวกก็กลับมาเกิดเป็นมนุษย์เลย ถ, ถ, ถ้าบางคนถึงจะเป็นมนุษย์ก็อาจจะร่างกายไม่สบายยัง ก, ก็ก็ต้องทนทรมานไปเพราะยังไม่สิ้นไปใช่ครับใช่แต่บางคนอาจจะสมบูรณ์ที่ทํามชอบทุกอย่างแต่ก็สิ้นไปเร็วจบชาติภูมิไปไปเร็วน ะ, ะ, นะครับมีมีเหตุผลที่กําหนดว่า คนดีต้องไปเร็วอย่างนี้นะครับหรือว่ามันมันมีมันมีหลายเหตุผลเรียกมีหลายเหตุหลายปัจจัยสถานที่ที่เราอยู่อากาศที่เราหายใจน้ำที่เราดื่มอ ะ, อะไรต่างๆมันเยอะแยะไปหมดมันไม่ได้เพียงแต่เป็นเรื่องของกรรมอย่างเดียวกรรมกรรมที่ทำมาในอดีตก็มีส่วนทำบาปมา ก, ก็อาจจะทำให้อายุสั้นแต่ แต่ทำบุญมาก็อาจจะทําให้ยังมันก็มีเหตุอย่างอื่นทำให้อายุสั้นได้มันแล้วแต่เหตุปัจจัยแล้วมันอาจจะเจออุบัติเหตุอุบัติเหตุนี่มันก็เป็นเป็นเหตุเหมือนกันเช่นนั่งรถไปนี่เกดิดรถพลิความขึ้นมาตายอย่างอุบัติเหตุนี่ก็ไม่ได้เป็นเรื่องของกรรมที่ทํามาในอดีตแต่มันเป็นเรื่องของปัจจุบนันเหตุของปัจจุบนันอ อันน้นมันมีมันมีหลายเหตุด้วยกันที่ทําให้คนตายได้แต่แน่ที่แน่ๆก็คือตายเหมือนกันตายช้าตายเร็วถ้าเกิดอย่างนี้เนี่ยจิตเดิมจริงๆเนี่ยนะครับมจะเหมือนกันหมดใช่ไหมครับเพราะว่า ส, สามารถจะจิตเดิมจริงๆที่เป็นประทัสอนที่เป็นความสว่างอยู่อย่างนี้แหละนะครับไม่ว่าจะเป็นคน <c oughs> เป็นมนุษย์นะคร อืมเยลาชาณ น, นะฮะหรือเป็นไงก็ไหรือกำลับบงสะวยทุกอยู่ตอนพระเบสีอยู่อะไรนี่นะครับเป็นสิ่งเดียวป็นเป็นลักษณะเดียวกันนะครับจิตเดิมก็คือ จ, จิตที่สงบนะอาณะที่จิตสงบเนี่ยมันก็เหมือนกันทุกจิตเวลาจิตนั่งสมาธิจิตรวมเป็นสมาธิมันจะสงบมันจะสว่างเหมือนกันหมดทุกคน แต่พอมันออกจากสมาธิมามันมาทำบุญทำบาปไม่เท่ากันมันก็เลยไปเป็นนาน า, นาชนิดกันจะเรียกว่ากรรมเป็นผู้จำแนกแยกให้เป็นให้จิตไปเป็นสัตว์ชนิดต่างๆเวลาอยู่ในสมาธิสงบนี้เหมือนกันหมดกลับสู่สภาพเดิมของจิตคือความสงบตอนนั้นกิเลสตัณหากรรมอะไรต่างๆไม่มีการกระทำอะไรทั้งสิ้น เข า, าเรียกว่าจิตเดิมจิตที่อยู่ในสมาธินี่เรียกว่าจิตเดิมสว่างสวยสงบมีความสุขแต่มันอยู่ไม่ได้นานก็กิเลสตัณหามันดันออกมาอาวิชชาปัจจยาสังขาราอาวิชามันจะดันให้ปรุงแต่งพอปรุงแต่งมันก็ไปเสพรูปเสียงกลิน่นรส ะวิธีที่จะเสพวิธีหารูปเสียงกลิ่นรสก็หากันด้วยวิธีต่างๆทำบุญทำบาบ้างไม่ทำบาบ้างแล้วพอมีมีสมบัติมากถ้าใจบุญก็เอาไปแบ่งให้คนอื่นก็ได้บุญเัน้นแต่ละจิตแต่ละดวงพอออกจากสมาธิมาแล้วมันมันไปทำอะไรไม่เหมือนกันมันก็เลยไปเป็นสัตว์ชนิดต่างๆ บางทีก็ไปเป็นเดลฉ า, าบางทีก็ไปเป็นเปรตบางทีก็ไปเป็นเทวดาบางทีก็ไปเป็นพรหมมันก็ขึ้นอยู่กับหลายอย่างขึ้นกับจนิดนิสัยเดิมชอบทำอะไรก็จะทำอย่างนั้นสองอยู่ที่สิ่งแวดลอ้อมเราไปเกิดในครอบครัวที่เขาชอบทาบุญเขาก็จะพาเราไปทาบุญไปวัด เ, เราก็จะได้ไป ทำในสิ่งที่ดีถ้าไปเกิดในครอบครัวที่เขาชอบกินเหล้าเมายาเล่นการพรานันเขาก็จะพาให้เราไปในทางที่ไม่ดีมันก็มีหลายอย่างที่ทำให้เราไปทำบุญทำบาปการต่างกันไปอีกส่วนนึงก็อยู่ที่พื้นเพ จ, จิตเดิมของเราคนบางคนเคยเคยทำบุญมาอยู่เรื่อยๆก็ติดนิสัยทำบุญ คนที่เคยทำบาปมาเรื่อยๆมันก็ติดนิสัยทำบาปถึงแม้จะมาอยู่กับครอบครัวที่ทำบุญแต่ใจมันก็ไม่ชอบทำบุญใจมันชอบทำบาปพอเวลาเป็นโตขึ้นมาเป็นตัวของตัวเองไม่อยู่ภายใต้การดูแลของพ่อแม่ก็ไปทำบาปเวลาเป็นเด็กพ่อแม่สอนให้ทำบาปก็ไม่ทำเพราะตอนนั้นอยู่กับพ่อกับแม่แต่พอโตขึ้นมา อยู่ตัวคนเดียวเดี๋ยวก็ทําถ้าชอบทําบาป ก, ก็จะทําบาปเหมือนกับถ้าชอบทําบุญก็จะก็ทําบุญอย่างญาติโยมตอนนี้ไม่ได้อยู่กับพ่อแม่แล้วใช่ไหมมาวันนี้พ่อแม่ไม่ได้สั่งไม่ให้ม า, มาใช่ไหมมาเองใช่ไหมอันนี้ก็อาจจะเป็นพื้นเพหรืออาจจะเป็นสิ่งแวดลอ้อมได้มาพบพระพุทธศาสนาได้ยินได้ฟังทำแล้วเกิดความ ศรัทธาในความคำคำสอนของพระพุทธเจ้าอยากจะเรียนรู้เพิ่มเติมอยากจะปฏิบัติเพื่อรับประโยชน์จากคำสอนของพระพุทธเจ้าเราก็มาวัดกัน <Yeah. S 1> แล้วพอเราได้มาวัดได้ทำตามที่พระพุทธเจ้าสั่งสอนเราก็ปรับจิตของเราจากปุตุชนให้ไปเป็นพระอริยเจ้าได้ไปเป็นโสดาบันไปสกิดาคามีอนาคามีอรหันได้ แต่ถ้าไม่มีพระพุทธศาสนาก็จะไม่มีใครสอนวิธีปรับจิตของเราให้เป็นพระอาริยะปรับจิตก็เหมือนกับแต่งรถยนต์เนี่ยเวลาเราจะปรับรถยนต์แต่งเครื่องนี่เราต้องไปหาช่างที่เขาแต่งเป็นนี้ยนะเาจะบอกใส่โช๊คอัพชนิดนี้ใส่เปลี่ยนลูกสู่เปลี่ยนเครื่องถ้าอยากจะให้มันวิ่งเร็วขึ้นมีกำลังมากขึ้นติดเทอร์บงเทอร์โบอะไรก็ว่าไป ถ้าเราถ้าเราไม่มีความรู้เหล่านี้เราก็ไม่สามารถที่จะปรับได้พวกเราไม่มีความรู้ในการปรับจิตของเราให้เป็นพระอาริยะกันเราก็เลยต้องพึ่งพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์ผู้ที่มีความชำนาญในการปรับจิตของพวกเราให้เป็นพระอาริยเจ้าขึ้นมาจิตของเราเปลี่ยนไปขึ้นก็ได้ลงก็ได้ แล้วแล้วแต่เหตุปัจจัยที่มา <c oughs> มาทำนะถ้าเรามาเกิดในยุคที่ไม่ไ ม, มีพระพุทธศาสนาอยู่กับพวกที่เขามีแต่ฆ่าฟันกันเราก็ต้องฆ่าฟันตามเขาถ้าไปเกิดอยู่ในที่อย่างเช่นตะตะวันออกกลางตอนนี้เราไม่มีพระพุทธศาสนาเขาก็จะมีแต่ตาต่อตาฟันต่อฟันเนี่ยร่างแคนกันไปร่างแคนกันมา ทำสองขามกันอยู่ตลอดเวลาจิตของเราสรุปก็คือเวลาอยู่ในสมาธิ mm. เขาเรียกว่าจิตเดิมเพราะว่าสภาพเดิมของจิตก็คือจิตที่สงบนิ่งนี่ mm. เขาเรียกว่าสภาพเดิม mm. เราทุกคนสามารถกลับเข้าไปสู่สภาพนั้นได้ด้วยการเจริญสติควบคุมจิตไม่ให้คิดปรุงแต่งหยุดสังขารความคิดปรุงแต่งได้ จิตก็จะสงบเป็นสมาธิจิตก็จะสว่างสวายสงบมีความสุขตอนนั้นเราก็เรียกว่าเรากลับไปสู่จิตเดิมแต่กําลังที่จะอยู่ในสมาธิมันอยู่ได้ไม่นานอยู่ได้สักพักเดียวมันก็ถอนออกมามันก็ออกจากจิตเดิมมาเป็นจิตปัจจุบันจิตปัจจุบันก็คือตอนนี้เรากําลังจะทําอะไรกันอยู่ ถ้าเราทำบุญเราก็เป็นเทวดากันไปเราทำบาปก็เป็นเดรัจฉานบ้างเป็นเปรตบ้างเป็นนรกบ้างหรือเรามาฟังเทศฟธรรมแล้วเรามาปล่อยวางอย่างที่เมื่อกี้คุยกับโยมเรื่องอริยสัจสี่ว่าความอยากทำให้เราทุกข์กันเราก็หยุดความอยากกันพออยากเราหยุดความอยากซื้อของได้เราก็สบายขึ้นเยอะเงินก็ไม่เสีย ของได้มาก็ไม่มีประโยชน์อะไรได้ความสุขเดี๋ยวเดียวได้ตอนที่เราซื้อมาเขาซื้อมาปั๊บความสุขที่ได้นั้นก็หายไปความอยากจะได้ความสุขแบบนี้ก็เลยทําให้เราต้องไปซื้อใหม่ก็ซื้อมาเรื่อยๆซื้อจนเต็มบ้านทีนี้เราหยุดซื้อแล้วเราก็เราก็หยุดความทุกข์ที่เกิดจากความอยากซื้อได้แล้วทีนี้ขั้นต่อไปเราก็อ ยกของที่เรามีนี้ให้คนอื่นไปทำบุญทําทานไปเราก็จะได้เบา อ, อกเบาใจไม่ต้องมาคอยดูแลรักษาสมบัติที่เรามีอยู่อันนี้ก็เป็นการพัฒนาเพื่อให้เป็นพระอริยะเจ้ า, าต้องต้นเงยกของที่เป็นของข้างนอกกายไปก่อนอันต่อไปก็ต้องมายกร่างกายนี้ถ้ายกร่างกายได้ก็ได้เป็นพระสสดาบัณได้ เพราะว่าพระโสดาบันมองเห็นร่างกายนี้เป็นเหมือนกับข้าวของต่ตางๆที่เราหามานี่แหละมันไม่ได้เป็นตัวเราของเรามันจะต้องมีวันพัดภาคจากเราไปเย่างถ้าเรายินดีที่จะพัดภาคเราก็จะไม่ทุกข์อันนี้ก็จะเป็นโสดาบันได้โสดาบันเห็นว่าร่างกายไม่ใช่ตัวเราของเราพร้อมที่จะให้มันแก่พร้อมที่จะให้มันเจ็บพร้อมที่จะให้มันตาย แล้วก็จะไม่จะไม่ทำบาปอีกต่อไปเพราะว่าที่เราทำบาปมันก็เพราะว่าเราอยากจะได้สิ่งนั้นสิ่งนี้หรืออยากจะรักษาร่างกายของเราให้ปลอดภัยัางทีเราก็ต้องทำบาปเวลามีงูเข้ามาในบ้านเราก็ตีมันฆ่ามันแต่ถ้าเป็นสุดาวน์ก็จับมันแล้วก็เอาไปปล่อยข้างนอกบ้านไม่ต้องฆ่ามันก็ได้แยกกันอยู่ ไม่เกียดกันโกรธกันเพียงแต่ว่าอยู่ด้วยกันไม่ได้เพราะว่าไม่เข้าใจกันเดี๋ยวถ้าเถออาจจะฆ่ากันอาจจะถูกเขากับได้ก็ต้องแยกกันอยู่แต่ จ, จะไม่ฆ่าสัตว์นะถ้าเป็นพระโสดามาันจะไม่มีเห็นความจําเป็นที่จะต้องฆ่าถ้าจะฆ่าก็ยอมตายดีกว่าถ้าระหว่างจะให้เขาฆ่าเราหรือก็เราฆ่าเขานี่ อย่าไม่เข้าท่าดีกว่าเพราะท่าเขาแล้วต้องไปไปไปเป็นเปรตไปเป็นไปนรกไปเป็นเดรัฉานีกย mm hmm. พระโสดาบันท่านเห็น mm hmm. เห็นอบายว่าเกิดจากการทำบาปต่างๆเ mm hmm. พราะยังมีความอยากนักตัวกลัวตายอยู่แต่พอเห็นว่าร่างกายนี้มันไม่ใช่ตัวเราของเรายังไงมันก็ต้องตาย ไปทำบาปเพื่อรักษามันให้อยู่ต่อไปมันก็ไม่คุ้มเพราะว่าจะต้องไปรับโทษสู้ปล่อยให้มันตายไปตามธรรมชาติของมันดีกว่าเมื่อถึงข่าวที่มันจะตายก็ให้มันตายไปใจไม่ต้องไปทำบาปใจก็ไม่ต้องไปรับผลบาป ถ้าเป็นโสดาบันนี่ไม่ต้องมไม่ต้องไปสมาทานศีลเนะี่ยมันเป็นธรรมชาติไปในตัวใจจะไม่คิใจจะไม่คิดเบียดเบียนใครเพราะเวลาทําบาปแล้วมันไม่สบายใจมันเห็นชัดๆว่าการทําบาป ท, ทําให้ไม่สบายใจมันได้ไม่คุ้มเสียเช่นไปขโมยเงินเข้ามาแล้วไม่สบายใจสู้ไม่มีเงินดีกว่าอยู่แบบสบายใจดีกว่า นี่คือเรื่องของดวงจิตดวงใจของพวกเราทุกคนตอนนี้เป็นอะไรต่างกันไปก็เพราะว่าอาดีตทาบุญทําบาปมาไม่เหมือนไม่เท่ากันจิตบางดวงก็เป็นตุกแกบ้างเป็นจิ้งจกบ้างจิตบางดวงก็เป็นมดเป็นมแมลงบ้างพวกนี้ก็มีจิตเหมือนกันหมดนะแต่ว่าบาปที่เขาทำมาทำให้เขาต้องไปเป็นสัตว์ชนิดต่าง แต่เดี๋ยวพอเขาตายไปพอหมดบาปเขาก็กลับมาได้ร่างกายของมนุษย์แล้วก็มาทำบุญทำบาปใหม่ขึ้นอยู่กับสิ่งแวดลอ้อมเวลาที่เรามาเกิดเรามาเกิดในยุคไหนสมัยไหนถ้ามาเกิดในยุคที่มีพระพุทธศาสนาก็จะมีคนสอนให้เราพัฒนาจิตใจของเราให้ไปพ้นนิพพานได้ ถ้าไม่มีพระพุทธศาสนาถ้าไม่มีศาสนาอะไรก็จะเป็นแบบกรียุคยุคที่มีแต่การฆ่าฟันกันอยู่กันด้วยการใช้อาวุธต่อสู้กันก็เรียกยุคเมกสันยีทุกคนนี้จะปกป้องรักษาผลประโยชน์ของตัวเองแล้วยุคนั้นอาจจะไม่มีกฎหมาย ก็เลยต้องใช้กดกฎหมูกดเหมือนอยู่แบบเดรัจฉานอือต้องปกป้องตัวเองใครมีพลังมากกว่าก็ก็มีอำนาจมากกว่าถ้าไปอยู่ในยุคที่มีกฎหมายมีาศาสนาเขาก็จะสอนให้เราทำตามาศาสนา ก็ขึ้นอยู่กับศาสนานั้นว่าศาสนานั้นรู้มากหรือรู้รู้น้อยบางศาสนาก็รู้เพียงแต่ให้ทําบุญให้รักษาศีลบางศาสนาก็สอนให้ภาวนาให้ร้องเพลงสรรเสริญนับลูกประคำสวดมนต์อันนี้ก็เป็นการฝึกสมาธิทําใจให้สงบแต่จะไม่มีศาสนาไหนที่จะสอนอริยสัจสี่ นอกจากพระพุทธศาสนาถ้าไม่รู้จักการวิยาศาสตร์สี่ก็จะยังไม่สามารถหยุดการเวียนว่ายตายเกิดได้เพราะไม่รู้ว่าการเวียนว่าตายเกิดนี่มันเกิดจากอะไรพระพุทธเจ้ารู้ว่าเกิดจากความอยากนี่เองเกิดจากความกามตาตนะภาวะตหาวิภาวะตหา ที่ทำให้เรากลับมาเกิดเรื่อยๆเพราะเรายังอยากดูอยากเสบรูปเสียงกลิ่นลดอยู่ก็ต้องมีตาหูจมูกมิ้นกายแต่ถ้าเราตัดความอยากเสบรูปเสียงกลิ่นลดได้เราก็ไม่ต้องกลับมาเกิดไม่ต้องมีร่างกายของมนุษย์แต่ถ้าเรายังมีความอยากอย่างอื่นอยู่ยังมีภาวะตันหาวิภาวะตันหา ย, ยังอยากมีความสุขยังอยากไม่มีความทุกข์อยู่ แต่ก็ไปเกิดเป็นพรหมพรหมนี้เขาก็ยังเสพความสุขอยู่ความสุขที่เกิดจากความสงบและเวลาเวลาความสงบหายไปเขาก็ทุกเขาก็ยังมีความอยากอยากไม่ทุกข์อยากสุขเขาก็จะเข้าสมาธิอยู่เรื่อยอันนี้ก็จะไปเป็นพรหมแต่ถ้าตัดความอยากสุขอยากไม่อยากทุกข์ได้ก็ไม่ต้องไปเป็นพรหมก็ไปนิพพาน นิพานนี้เป็นที่ที่มีความสุขที่เกิดจากการไม่มีความอยากต่างๆเป็นความสุขอีกรูปแบบหนึ่งความสุขที่ไม่ได้เกิดจากการมีทำตามความอยากก็ความสงบที่เป็นธรรมชาติไปเลยเป็นความสงบที่ไม่มีวันเปลี่ยนแปลงความสงบที่ของพรหมนี่ยังเกิดจากการใช้สติคอยกดจิตไว้อยู่ กดกิเลสกดกดความอยากไว้แต่ความอยากมันยังไม่ตายความอยากมันก็จะดันออกมาพอไม่สงบใจก็ทุกข์แต่ถ้ากำจัดความอยากได้ก็จะไม่มีตัวกิเลสดันใจให้ออกมาใจก็จะอยู่ในความสงบไปแบบถาวรอันนั้นก็เรียกวนานิพัน ต้องกำจัดความอยากทั้งสามความอยากในรูปเสียงกลิ่นรสความอยากมีความสุขความอยากไม่มีความทุกข์ต่อไปนี้เราต้องบอกสุขก็ได้ทุกข์ก็ได้เพราะอยู่ในโลกนี้มันสลับกันไปสลับกันมาบางวันก็สุขบางวันก็ทุกข์ก็อยากเวลาสุขก็อยากไปอยากให้มันสุขนานๆเพราะมันไม่เที่ยงเดี๋ยวมันก็เปลี่ยนไปเวลาทุกข์ก็อยากไปอยากให้มันหาย หาแล้วมันจะทุกสองชั้นทุกที่ใจอีกชั้นหนึ่งทุกที่เกิดจากความอยากให้ความทุกข์หายไปเนี่ยที่เรามาพูดถึงสุขทุกข์นี่ก็หมายถึงสุขเวทนาใช่ไหมบางวันก็มีสุขเวทนาบางวันก็มีทุกข์เวทนาแต่ถ้าเราอยากไปอยากให้มันเป็นอย่างนั้นเป็นอย่างนี้ ทุกที่เกิดในอริยศัสตร์ก็ไม่เกิดทุกใจจะไม่เกิดสุขก็สุขไปทุก็ทุกไปอยู่กับมันได้ทั้งสองอย่างเช่นเราสุขเพราะอะไรเพราะวันนี้มีคนเอาเงินมาให้เรามาชมเชยเราเราก็สุขแล้วเราก็อยากให้มันเป็นอย่างนี้ทุกวันแต่พอวันพรุ่งนี้มีคนมาทวงหนี้เรามาด่าเราเราก็ทุก แต่ถ้าเราเฉยๆวันนี้สุขก็รู้ว่าสุขพรุ่งนี้ทุกข์ก็รู้ว่าทุกข์เพราะเราไปไปสั่งมันไม่ได้เหตุการณ์ต่างๆเราไปสั่งมันไม่ได้เหตุการณ์ที่ทําให้เราสุขเหตุการณ์ที่ทําให้เราทุกขน์นี่เราไปห้ามมันไม่ได้แต่เราห้ามใจเราไม่ให้ทุกข์กับมันได้ด้วยการไม่มีความอยากกับเหตุการณ์นั้น เช่นส่วนใหญ่เรามักจะมีความอยากถ้าเหตุถ้าเป็นความสุขก็ อ, อยากให้มันสุขไปเรื่อยๆถ้าเวลาทุกข์ก็อยากให้มันหายไปเร็วมันก็เลยทุกข์ขึ้นมาอีกชั้นหนึ่งทุกข์ที่ใจเวทนานี่ยเรียกว่าขันสุขทุกข์ในขันแล้วก็ไปทำให้เกิดสุขเกิดสุขทุกข์ในใจอีกชั้นหนึ่งแต่ถ้าใจมีธรรมะมีปัญญาก็จะไม่ทุกข์ใจจะปล่อยวาง สุขก็ปล่อยวางทุกข์ก็สุขก็เวทนาก็ปล่อยวางทุกข์ก็เวทนาก็ปล่อยวางรับมันได้เช่น อ, อากาศตอนนี้เริ่มจะร้อนละเราก็ต้องรับมันล่ะถ้าเราไปอยากให้มันเย็นเหมือนเมื่อเดือนที่แล้วหรือเมื่ออาทิตย์ที่แล้วอย่างนี้มันก็จะทุกข์ขึ้นมาละอย่าอยากไปอยากรับอยู่กับปัจจุบันอยู่กับ เวทนาที่เกิดขึ้นในปัจจุบันอยู่กับสุขเวทนาก็อยู่ไปพอสุขเวทนาหายไปไม่สุขไม่ทุกข์เข้ามาก็อยู่กับมันไปเดี๋ยวไม่สุขไม่ทุกข์หายไปทุกข์ก็เกิดขึ้นมาตอนที่มันเย็นเนี่ยเราก็สุขกันตอนนี้เริ่มจะไม่เย็นละแต่ยังไม่ร้อนก็เรียกว่ากลางๆไม่สุขไม่ทุกข์เดี๋ยวพอเข้าเดือนมีนากร้อนละทีนี้ก็ทุกข์ลวทุกขเวทนาละ เราก็อยู่กับมันไปเราอย่าไปอยากให้มันหายไปนี่คือการฝึกใจให้ให้อยู่กับเวทนาทั้งสามแบบให้ได้อยู่กับสุขก็เวทนาอยู่กับไม่สุขไม่ทุกข์เวทนาอยู่กับทุกข์เเวทนาโดยที่ไม่ไปปรับมันไม่ไปเปลี่ยนมันปล่อยให้มันเปลี่ยนไปตามธรรมชาติของมันเพราะมันเป็นอนัตตา แต่สมัยนี้บางทีเราก็อาจจะปรับได้เป็นข้างเป็นข่าวเช่นเดี๋ยวร้อนเราก็เปิดเครื่องปรับประกาศกันนะแต่ถ้าเกิดเปิดแล้วเครื่องเสียจะทาไงมันก็ปรับไปได้เราก็ไม่ยอมแพ้แลรวก็ไปซื้อเครื่องใหม่แล้วก็ไปหาช่างมาซ่อมอีกพอช่างมาซ่อมเสร็จไฟดับอ่ะทีจะทำยังไงทีไฟดับก็หมดสร็แล้วเลทีนี้ก็ต้องอาบน้าอย่างเดียว เอาผ้าชุบน้ํามาเช็ดมาถูระบายความนอนไปตามแต่ถ้าใช้ธรรมะ ก, ก็ไม่ต้องไปทําอะไรมันอยู่กับมันไปสบายกว่าใจเราอย่าไปอยากแล้วมันไม่ทุกข์ทาไม่ทุกข์แล้วมันจะร้อนขนาดไหนก็อยู่กับมันได้พวกที่เขาอยู่ในทะเลทรายทำไมเขาอยู่กันได้เพราะเขาเขารู้ว่าเขาเปลี่ยนมันไม่ได้ ทำอะไรไม่ ไ, มได้ใจเขาก็เลยยอมรับความร้อนนั่นไปก็อยู่กับความร้อนไปนค่นี้เขาก็ไม่ทุกข์กับความร้อนนี่ตัวที่เป็นปัญหาของพวกเราก็คือตัวความอยากสามตัวนี่ถ้าหยุดความอยากได้แล้วเราจะอยู่กับทุกสิ่งทุกอย่างได้อยู่กับความแก่อยู่กับความเจ็บอยู่กับความตายได้ อยู่กับความลำเลอยได้อยู่กับความยากจนได้อยู่กับการดุด่าว่ากล่าวได้อยู่กับคำาสรรเสริญเยินยอได้ใจอยู่กับทุกสิ่งทุกอย่างได้ที่ทุกเพราะว่ามันไม่อยากหรืออยากเท่านั้นเองพอไปเจอสิ่งที่มันไม่ชอบมันก็ไม่อยากขึ้นมามันก็ทุกข์ขึ้นมาพอไปเห็นสิ่งที่ชอบก็อยากได้ขึ้นมาก็ทุกข์ขึ้นมาแล้วถ้ายังไม่ได้ งั้นอย่าไปอยากวิธีจะไม่อยากก็เนี่ยเอาจิตกลับไปอยู่ที่จิตเดิมซะทําสมาธิทําจิตให้สงบให้จิตเป็นจิตประพัดสอนแล้วจิตก็จะมีความสุขในตัวเองแล้วก็จะไม่อยากได้อะไรร้นอนก็อยู่กับร้อนได้หนาวก็อยู่กับหนาวได้สรรเสริญก็อยู่ได้นินทาก็อยู่ได้สุ ข, ขเวทนาก็อยู่ได้ทุกขเวทนาก็อยู่ได้ อยู่ก็ได้ทุกทุกรูปแบบถ้าใจอยู่ในสภาพของจิตเดิมแต่กิเลสมันไม่ยอมให้เราอยู่ใจจิตเดิมมันชอบหลอกให้เราไปหาหนูน่นหานี่มาคิดว่าจะจะดีกว่าอยู่ในแบบจิตเดิมแต่มันก็ดีตอนใหม่ๆตอนที่ได้มาเช่นอยู่คนเดียวก็บอกไปมีแฟนดีกว่าอยู่คนเดียวแล้วเหงา พอไปมีแฟนได้แฟนมาใหม่ๆก็สุกนีแล้วพออยู่ไปสุขนั้นก็ค่อยค่อยจางหายไปแล้วความทุกข์กับแฟนก็มาเกิดขึ้นทุกเรื่องนั้นทุกเรื่องนี้ทุกทั้งทุกเพราะรักทุกเพราะเกลียดมันมีทั้งหมดไม่ได้ทั้งนั้นรักก็ทุกอย่างนึงเกลียดก็ทุกอย่างนึงถ้าไม่ใช้ปัญญามันก็จะหลงคิดว่า โอ้ยเราไม่มีอะไรเลยถ้าเรามีเราจะมีความสุขนะก็คิดอย่างนี้ฮถึงไปหากันนะพอไปหาแล้วก็ได้ความสุขแต่มองไม่เห็นว่ามันก็มีความทุกข์แถมมาด้วยเพราะมันเป็นของคู่กันสุขกับทุกข์เนี่ยมันเป็นของคู่กันมันไม่มาแต่สุขอย่างเดียวมันมามันมีมาสุขแล้วก็เรามีทุกข์มันเป็นเหมือนเหรียญเหรียญสองด้านเรามักจะมองเห็นด้านเดียว ด้านสุขแต่เรามองไม่เห็นด้านทุกข์กันแต่พอมาได้พอมาได้อยู่ใกล้ชิดมันมันถึงจะเห็นพอเดี๋ยวมันจะโมันเดี๋ยวมันจะคลิกกลับไปพิกจากด้านสุขมาเป็นด้านทุกข์ขึ้นมาอยียที่เราให้เจริญปัญญาให้ให้ใหจนเจริญนี่ให้มองว่าทุกสิ่งทุกอย่างที่เราคิดว่าเป็นสุขเนี่ยมันเป็นทุกข์ด้วยมันเป็นของคู่กันเพราะมันไม่ เพราะมันไม่เที่ยงแท้แน่นอนมันเปลี่ยนได้ใช่ไอาหารซื้อมาใหม่ๆได้มากับข้าวนี่พอทำเสร็จมันก็น่ากินถ้าทิ้งไว้สักสองสามวันก็บูดเน่ากินไม่ได้นะของทุกอย่างมันมันมีวันเสื่อมมันมีวันหมดเวลามันเสื่อมมันหมดหรือเวลามันเปลี่ยนไปมันก็ทําให้ความสุขนั้นหายไปแล้วความทุกข์ก็เข้ามาแทนที่ ท่านสอในให้พิจารณาอย่างนี้อยู่เรื่อยๆจะได้ไม่ถูกความหลงหลอกให้เราไปอยากได้สิ่งนั้นสิ่งนี้มาให้เรากลับมาอยู่กับจิตเดิมดีกว่าจิตเดิมนี่แหละดีที่สุดจิตที่มีความสุขเป็นความสุขที่ดีกว่าความสุขที่เราจะได้รับจากสิ่งต่างๆแต่ว่าเราเข้าไม่ถึงกันตอนนี้เราไม่มีกําลังกลับเข้าไปอยู่ในสภาพของจิตเดิม เราจึงต้องมาสร้างพลังเพื่อที่จะดึงจิตให้กลับเข้าสู่สู่จิตเดิมก็คือการใช้สตินี่สติจะดึงจิตให้เข้าข้างในให้เข้าสู่ความสงบให้เข้าสู่จิตเดิมแต่กิเลสนี่มันจะพยายามดันให้ออกมาทางตาหูจมูกลิ้นกายมันจึงต้องต่อสู้กันการปฏิบัติธรรมมันต้องต่อสู้กัน ระว่างสติกับระว่างกิเลสถ้าสติเผิมอมมน่ยกิเลสมันก็อวิชชาปัจจยาสังขาราทันทีมันก็จะดันสังขารให้คิดปรุงแต่งขึ้นมาทันทีแต่ถ้ามีสติมันก็จะหยุดปรุงแต่งถ้าหยุดได้นานมันก็สงบถ้าหยุดได้เต็มที่มันก็มันก็กลับไปสู่จิตเดิมพอเรากลับไปสู่จิตเดิมแล้วขั้นต่อไปก็รักษามัน เวลามันจะออกมาก็ใช้ปัญญาวอย่าออกมาอยู่ในบ้านดีกว่าออกนอกบ้านแล้ววุ่นวายแต่เราชอบออกนอกบ้านกันใช่ไหมอยู่ในบ้านสักพักก็เบื่อแล้วอยากจะไปข้างนอกกันเราก็ต้องพยายามหว่านล้อมสอนจิตว่าออกไปแล้ววุ่นวายขับรถเนี่ยติดรถบนท้องถนนมีภัยอันตรายต่างๆรอบด้านอยู่ในบ้านปลอดภัยกว่า จะกินจะนอนก็สบายกว่าออกนอกบ้านถ้าสอนด้วยปัญญาว่าอย่าไปอยากเลยอยู่กับจิตเดิมเนี่ยดีที่สุดแล้วถ้าถ้ามีปัญญาแล้วมันมีจิตเดิมมันก็จะเชื่อมันก็อยู่กับความสงบนี่ดีกว่าต่อก็จะตัดความอยากต่างๆได้อยากอยากหารูปเสียงกลิก่นร้กระตับได้อยู่ข้างในไม่ต้องใช้ตาหูจมูกลิ้นกายไม่ต้องมี ความสุขที่เกิดจากการได้สิ่งต่างๆมาเอาความสุขที่ได้จากความสงบนี้ดีกว่าอันนี้ถ้าไม่มีพระพุทธเจ้ามาสอนเราจะไม่รู้ปัญญาตัวนี้ไม่รู้ความจริงว่าการความสุขที่แท้จริงก็คืออยู่ที่จิตเดิมนี่แหละอย่าออกไปจากจิตเดิมให้อยู่ที่จิตเดิมเวลากิเลสมันมาชวนให้ไปก็อย่าไปไปแล้วมันจะต้องไป ไปวุ่นวายกับการหาวุ่นวายกับการดูแลรักษาแล้วก็วุ่นวายเสียใจกับการสูญเสียได้มาเท่าไหร่ก็ต้องหมดไปที่ไปที่มาเกิดกันก็เพราะเนี่ยเพราะไม่มีปัญญาสอนเราอย่าไปเกิดอยู่ที่จิตเดิมนี่ดีแล้วไม่เอาอยากจะเกิดกันเพราะอยากจะเสพรูปเสียงกลิ่นรสกัน ที่มีปัญญามาสอนว่ามันลูกเสียงกินลดมันไม่เที่ยงมันเป็นทุกข์ได้มาแล้วก็หมดไปเวลาหมดก็ทุกข์แล้วก็ต้องอยากได้ใหม่ก็ต้องหาใหม่อยู่เรื่อยๆเนี่ยถ้าโยมไม่หยุดหาของที่อยากได้เนี่ยตายไปชาติหน้ากลับมาก็มาหาอีกเพราะมันติดเป็นนิสัยอยู่เฉยๆแล้วมันคันไม้คันไมอยู่ไม่เป็นสุขตามอยากนี่มันทาให้เราคัน วิธียาทําให้หายคันก็หยุดความอยากแต่เราเกาไม่ถูกที่เราไปเกาตามเรากลับไปทำตามความอยากมันก็ยิ่งคันใหญ่ใช่ไหมซื้อมาเท่าไหร่ก็ยังไม่หายคันก็ต้องซื้ออยู่เรื่อยๆหามาอยู่เรื่อยๆอยตอนนี้เราต้องพยายามสร้างสติกันให้ได้แล้วสตินี้จะหยุดหยุดความอยากได้นึ่งใจให้กลับเข้าสู่จิตเดิมได้ พอก็ถึงจิตเดิมแล้วก็ใช้ปัญญารักษาอย่าให้มันออกจากจิตเดิมไป <Yeah. S 1> ถ้ายังไม่มีปัญญาก็ใช้สติดึงไว้ก่อนก็ยังดีกว่า <Yeah. S 1> แต่ถ้าใช้ปัญญาเป็นก็จะทำลายตัวที่จะดันให้ออกไปได้อย่างถาวร <Yeah. S 1> พอตัวที่ดันให้ใจออกจากจิตเดิมไปตายหมดจิตก็จะอยู่ที่จิตเดิมไปตลอด <Yeah. S 1> จิตเดิมนั่นก็จะกลายเป็นจิตบริสุทธิ์ไปค <Yeah. S 1> าว่าจิตเดิมก็คือ มันสงบแต่ยังมีกิเลสอยู่มันเพียงแต่กิเลสมันถูกกดทับเอาไว้แต่พอเรากำจัด ก, กิเลสได้หมดจิตเดิมนั้นก็กลายเป็นจิตบริสุทธิ์ไปเป็นจิตของพระอรหันต์จิตของพระพุทธเจ้าไปพอได้จิตบริสุทธิ์แล้วก็ไม่ต้องทําอะไรเพราะไม่มีอะไรมาหลอกมาลอ่อมาดันให้จิตไปหาอะไรต่อไปจิตของพระพุทธเจ้าจิตของพออาาระอรหันต์จะไม่กลับมาเกิดอีกเพราะไม่มี กา마ตัญหาไม่มีภาวะตัญหาไม่มีวิภาวะตัญหาเนี่ยขั้นแรกเราต้องเอาสติดึงจิตเข้าไปสู่จิตเดิมไม่ไดนะ้พอเข้าสู่จิตเดิมแล้วก็รักษามันด้วยปัญญาเวลามันจะออกไปยุ่งกับเรื่องนั้นเรื่องนี้ยุ่งกับคนนั้นคนนี้ก็อย่าไปเลยเท่านั้นแหะไปยุ่งกับเขาไงเดี๋ยวเขาก็าตายไปหมดนะใช่ไหมไปช่วยเหลือใครไปทําอะไรเดี๋ยวก็แก่เจ็บตายกันไปหมดนะ เหนื่อยไปเปล่าปล่อยให้เขาแก้ของเขาไปเองปล่อยให้เขาอยู่ของเขาไปเองถ้าเขาฉลาดเขาก็นึงใจให้เขากลับเข้าสู่จิตเดิมดีกว่าปัญหาของเขาก็จะหมดไปเองวิธีแก้ปัญหาจุดจุดจริงๆก็คือทุกคนต้องแก้ปัญหาของตัวเองนึ่งจิตของตัวเองให้กลับเข้าสู่จิตเดิมให้ได้ถ้าเข้าสู่จิตเดิมได้แล้วปัญหาต่างๆก็จะหมดไปปัญหาต่างๆก็เกิดจากการถูก ปัญหาหลอกให้ออกมาวุ่นวายกันนะปัญหาของทุกคนนี่เกิดจากความอยากทั้งนั้นเนะชื่อไหมลองไปถามไปดูมีปัญหาอะไรไหมถามว่าต้นเหตุคืออะไรก็คือความอยากอยากได้นูน่นอยากได้นี่อยากเป็นนั่นอยากจะเป็นนี่อยากไม่ให้เป็นอย่างนั้นอยากไม่ให้เป็นอย่างนี้นอยากไปนั้น <S <S <ๆ>นะั้นเพราะไม่ยอมอยู่ที่จิตเดิมกันนะถ้ามีสติดึงจิตเข้าไปสู่จิตเดิมแล้วก็สบายไม่อยากอะไรมีความสุข พยายามนะถ้าจะปฏิบัติต้องปฏิบัติสติก่อนสติเป็นเหมือนกุญแจรถยนต์ก่อนก่อนยมจะไปขึ้นรถนี่ยมทำอะไรก่อ น, นหากุญแจก่อนไอมถ้าไม่มีกุญแจไปไปที่รถแล้วไปทำอะไรได้บ้ออก็ น, นั <c oughs> ่นรีโมตก็กุญแจไม่ใช่เ <c oughs> อรออะไรบ้ึงยังจะ <c oughs> ยังยาแหม่มีลูกเล่นอีกเปลี่ยนชื่อเปลี่ยนชื่อจากกุญแจามาเป็นรีโมทอีก <c oughs> อนั่นแหละสติเนี่ยแหละที่จะทำให้จิตของเราไปสู่นิพพานได้ถ้าไม่มีสติไปไม่ได้ไม่มีสติก็จะไม่ได้จิตเดิมก่อนเมื่อไม่ได้จิตเดิมก็จะไม่สามารถไม่เห็นจะไม่เห็นว่า ต, ว ต, วตัวปัญหาก็คือความอยากต่างๆถ้า พอสู่จิตเดิมแล้วถึงจะรู้ว่าอ๋อเวลาเกิดตัญหานี่จิตเดิมมันจะกระเพิ่มขึ้นมาเลยมันจะสายมันก็มันจะมันจะละสัมละสายขึ้นมาก็ความอยากพอหยุดความอยากได้จิตก็สง บ, บต่อนี่เรารู้เราจ ะ, จะเห็นปัญหาชัดๆเลยอันนี้ยังเป็นทฤษฎีอยู่ผู้เท่าไหร่ก็ยังไม่เชื่อละเดี๋ยวไปถึงเ ด, เดี๋ยวอยากกินกาแฟก็หากาแฟมากินแล้วเดี๋ยวอยากจะ ดูอะไรก็เปิดดูแล้วเพราะยังไม่เห็นว่ามันเป็นตัวทำลายความสงบแต่เรากลับไปเห็นคุณของมันเพราะว่าพออยากแล้วได้ทำตามความอยากแล้วสบายใจใช่ไหมพออยากจะดื่มกาแฟได้ดื่มกาแฟแล้วอ้อสบายพออยากจะดูละครแล้วได้ดูว่าสบายแต่ไม่ดูตอนที่เวลาอยากแล้วไม่ได้ เวลากาแฟาหมดนี่เริ่มอุ่นเย็แล้วเลยเวลาไฟดับอยากจะดูละครก็ดูไม่ได้อาจารย์ครับกิเลสกับตัณหาตัวเดียวกันมคตัวเดียวกันเน่ <S <S เราก็คือพระพุทธเจ้าบางทีท่านก็แสดงในลักษณะโลภโกรธหลงก็เรียกว่ากิเลสบางทีท่านแสดงในลักษณะตัณหาก็คือความอยากความอยากก็คือความโลกนี่แหละ ความโกรธก็คือผลที่เกิดจากการไม่ได้ทําตามความอยากก็เกิดความโกรธขึ้นมาแล้วความโงก็คือตัวที่ทําให้เกิดความอยากขึ้นมานี่องความโงก็คือไม่รู้ว่าความอยากนี้เป็นพิษเป็นภัยกลับไปเห็นว่าเป็นคุณเป็นประโยชน์จะเห็นนเห็ว่ามันเป็นพิษเป็นภัยก็ต้องจิตสงบกลับไปสู่จิตเดิมพอจิตเดิมจิตสงบแล้วจะเห็น เวลาเกิดความอยากขึ้นมาความสงบมันจะหายไป <c oughs> แล้วมันก็จะรู้ว่าไอา้ตัวนี้เป็นตัว <c oughs> ตัวปัญหาที่ทำให้ใจเราไม่สงบกันพอเราหยุดความอยากได้บางความสงบก็จะกลับมา <c oughs> ความสุขก็จะกลับมาดง <c oughs> นั้นวิธีที่จะหาความสุขที่แท้จริงต้องไม่ทำตามความอยาก <c oughs> มีอะไรไหมเอาเลย ดดตัวเดียวกันตัวเดียวกันจิตก็คือผู้รู้ที่มันเป็นจิตเดิมก็เพราะมันสงบเนี่ยถ้ามันไม่สงบมันก็เป็นจิตปัจจุบันอย่างที่เราเป็นอยู่เนี่ยมันก็วุ่นวายไปตามความคิดปรุงแต่งต่าง ๆ, ๆของเราถ้าเราอยากจะกลับไปจิตเดิมเราก็ต้องทําใจให้สงบพอไปถึงจิตเดิมก็จะก็จะเห็นตัวรู้ตัวรู้ก็อยู่ตรงจิตเดิมนั่นะ ตัวเดียวกันตอนนี้ตัวรู้ถูกบล็อกไว้ถูกตัวรู้ตัวคิดบล็อกไว้ตอนนี้เรามองไม่เห็นตัวรู้เราเห็นแต่ตัวคิดคิดเรื่องนั้นคิดเรื่องนี้เห็นตลอดเวลาแต่ตัวรู้ไม่เคยเห็นเลยตัวรู้จะเห็นก็ต่อเมื่อเราหยุดตัวคิดเหมือนกับจอทีวีเนี่ยถ้าเราเปิดทีวีไว้เราจะไม่เห็นตัวจอหรอกเห็นแต่ภาพบนจอ ถอยากจะเห็นว่าจอเป็นอะไรเราต้องปิดภาพก่อนปิดทีวีพอปิดเครื่องปั๊บภาพหายไปก็จะเห็นจอเห็นจอเปล่าๆนะตัวรู้นี่ก็เหมือนเหมือนจอโทรทัศน์นี่แต่ตอนนี้ถูกตัวคิดมันบดบังไว้เราก็เลยเห็นอยู่กับตัวคิดแล้วก็หลงหลงเชื่อตัวคิดไปมันคิดว่าเราเป็นเรามันก็เราก็เชื่อมันก็เป็นความคิดเราเราคิดขึ้นมาเองว่าเราเป็นเรา อันนั้นเป็นของเรามันก็เป็นความคิดของเราความจริงมันไม่ได้ว่าเป็นของเราเลยเราไปว่ากันเองนะแม้แต่ต้นไม้ต่างๆมันไม่มีชื่อหรอกเราไปตั้งชื่อให้มันเองนะใช่ไหมบางคนมาถามวต้นไม้นี่ชื่ออะไรไม่รู้ไม่เคยถามมันถามมันถามมันมัก็ไม่เคยบอกก็คนมันตั้งชื่อนี่คนตั้งชื่อมันไม่อยู่เราจะไปถามใครถามต้นไม้ เนี่ตัวคิดมันไปคิดขึ้นมาแล้วมันก็ทําให้เป็นนู่นเป็นนี่ขึ้นมาไปหมดเลยเป็นพ่อเป็นแม่เป็นพี่เป็นน้องเป็นสามีเป็นภรรยาเป็นเงินเป็นทองเป็นอะไรนี่ตัวคิดทั้งนั้นแหละคิดขึ้นมาแล้วก็หลงไปกับตัวคิดกันคุณครูคะความเพียนคือตอนนี้ก็ทําเช้าทาเย็น แต่่วาเพียนอะไรล่ะเพียนที่จะปฏิบัตินัปฏิบัติปฏิบัติอะไรไม่เดี๋ยวถามก็ถามว่าเพียนเพียนอะไรทําอะไรเพียนปฏิบัานั่งก็นั่งนั่งอะไรนั่งยังไงก็เล่าเสียตัวเพียนมันตัวไหนเนี่ยการทําความเพียนทําอย่างไงถึงเรียกเป็นการทําความเพียน คืออย่างทุกวันนี้ตอนเช้าตื่นขึ้นมาแต่เช้าตีสี่ ก, กว่าเนี่ยบาทีก็ปกติแรกๆก็จะรีบตีสี่ก็จะรีบเข้าห้องพระแล้วก็เข้าไปั่างศีลหมดแล้วอย่างนี้ไม่ได้เพียนนะั่นแหะถ้าเพียนต้องพอลืมตาปะก็ต้องพุทโทแล้วนั่นแหละเท่าน้เพีย น, ยนถ้ารีบนี่ยังปรุงแต่งอยู่ไเ <Okay. S 2> พอะพอตื่นขึ้นมาปั๊บต้องหยุดการคิดปรุงแต่งเลยพุโทโธรก่อนเลยคือจเจริญสติอเอาสติก่อน บอกห า, ากุญแจรถก่อนเดี๋ยวไปนั่งพุทโธพุทโธเดี๋ยวไปนั่งสวดมนต์ก็ไปคิดเรื่องนั้นเรื่องนี้ต่ อ, อ, อมันต้องหยุดความคิดก่อนการสวดมนต์จริงๆก็เพื่อให้เราหยุดความคิดนี่แหละก็ น, น, นเอาพุทโธเนี่ยสั้นที่สุดดีที่สุดแล้วไม่ต้องไปเข้าห้องพระไม่ต้องมีห้องพระสวดได้ทุกขนทุกแห่งทุกเวลาจะจะเจริญสติมันต้องทุกเวลานาทีเลย ไม่ใช่ไปตั้งหลักวันเดียวจะห้องผ้าแล้วค่อยไปตั้งสติแล้วช่วงนี้ยังไม่ได้ตั้งสติมันก็ไปแล้วเราต้องเอาตั้งแต่ลืมตาขึ้นมาเลยแต่ที่เรียกว่าเพียน อ, อยากอธิบายให้ฟังว่าความเพียนนี่คือคือการเพียนสร้างสติอย่าไปทำอย่างอื่นเพียนสร้างสติก่อนอพอมีสติแล้วเวลานั่งสมาธิมันก็จะสงบแต่ถ้าไม่มีสตินั่งไปไงมันก็ไม่สงบตอนนี้ยังไม่เคยรวมเลยไม่ใช่เนหะ รวมก็เลยรวมได้เลยเป็นยังไงเวลารวมมันก็จะสบายมันจะสงบนิ้งสบายอนานไหมล่ะก็แล้วแต่บางวันก็ได้นานบางวันก็ได้ได้แค่เดียวก็เป็นคาทิการบ้างอุปจาระบ้างอะอ่างเงี้มีมีเป็นกันที่เวลาเข้าคอร์สปฏิบัติก็จะได้ยาว okay. แต่แค่ไปเข้าครั้งเดียว แต่มันไม่มันไม่สุพอยที่จะทำให้เราหยุดทาอย่างอื่นได้ใช่ไหเราก็ยังอยากดูอยากฟังไม่ได้ทุกวันครับมันได้แค่ควเราก็ยังอยากดูอยากฟังอยา่างนู่นอยากนี่อยู่ในชะ่ตอนนี้ก็พยายามคือสินแกันป็นบดีสุกันก็ อ, อาจาอาจะรวมน้อยรวไม่มากถ้ารวมมากมันจะไม่อยากได้อะไรมันจะถือสินแต่ได้ทุกวันนะ ก็เกือบแล้วเกือบเลยเราเสียกันหมดแล้วฮะาดพยายามมาให้ได้ทุกวันเก็ทุกวันนะแต่ว่าตอนนี้ยังติดขัดที่เขายังต้องทานยาอเลยต่ามันก็มักจะมีอุปสรรคอยู่เรื่อยนะแต่ยังไม่สุบทั้งหมดออ ว่ามามเราจะมีพิจารณาเได้งไงว่าทางที่เราปฏิบัติทางที่เราดเนินนั้นมันเป็นทางถูกความอยากเราน้อยลงไปหรือมากขึ้นความโลโกดลงของเรามากขึ้นหรือน้อยลงถ้ามากขึ้นก็ผิดทางถ้าน้อยลงก็ถูกทางมีความสุขใจมากขึ้นมีความสบายใจมากขึ้นปล่อยวางได้มากขึ้น เรกไปถูกทางถ้ายังอยากได้นู่นอยากได้นี่ยังหวงยังห่วงสิ่งนั้นสิ่งนี้อยู่ก็แสดงว่ายังไปไม่ไกลไปยังไปไม่ถูกทางทางนี้ต้องไกลหวงไกลหวงไม่ผูกพันไม่ยึดติดกับอะไรเพราะไม่มีอะไรเป็นของเราสิ่งที่เป็นของเรานี่เป็นความหลงใช่เราถูกหลอกว่าให้คิดว่าเป็นของเรา อันจริงไม่มีอะไรเป็นของเราเลยสัพเพ昙ธธมาณตาแต่เราก็ยังไม่เชื่อเราก็ยังว่าเป็นของเราอยู่คนนั้นก็ยังเป็นของเราคนนี้ก็ยังเป็นของเราอยู่มันเข้าตอนที่ฟังพอหยุดฟังมันก็ลืมตอนนี้เราฟังเราอาสายปัญญาของ ของผู้แสดงเป็นเป็นตัวดึงใจเราแต่พอผู้แสดงหยุดแสดงปับ๊บตัวกิเลส ข, ของเราก็มาดึงใจเราแทนไปมันก็เลยกลับไปโล่ไปอยากเหมือนเดิมอยู่นั้นการฟังธรรมอย่างเดียวนี้มันเป็นเพียงแต่เป็นเหมือนกับเป็นการสตาร์ทรถเนี่ยพอสตาร์ทแล้วเราต้องพยายามรักษาให้มันอย่าให้เครื่องมันดับ พยายามคิดไปในทางธรรมต่อคิดไปในอย่างวันน like ี้บอกทุกอย่างไม่ใช่เป็นของเราเนี่ยลองเอาไปคิดต่อเห็นอะไรก็บังไม่ใช่เป็นของเราพอเรามาตัวเปล่าเปลเราไปตัวเปล่าเปคิดแค่นี้มันเห็นชัดชัดอยู่เวลาเรามาเราไม่ได้เอาอะไรมาไปกับเราเวลาเราไปเราก็ไม่ได้เอาอะไรไปกับเราของที่เป็นของเราเดียวมันก็หายไปมันก็หมดไป งั้นไปรักไปหวงมันทําไมทุกไปเปล่าๆหวงยังไงก็ไม่สามารถเก็บเขาไว้ได้ไม่สามารถอยู่กับเขาไปได้ตลอดแล้ววันหนึ่งก็จะนั่งมีวันจากกันไปถ้าเห็นอย่างนี้มันก็จะปล่อยวางกันแตไ่ไม่คิดกันเนี่ยพอพอออกจากที่นี่ไปก็รถก็เป็นของเราละอันนั้นก็เป็นของเราอันนี้ก็เป็นของเรา ใครขับรถมาเฉียวมาชนไหนก็โกรธมาแล้วถ้ามันไม่ได้เป็นของเราจะไปโกรธทาไมชนก็ชนไปสิรถคนหนึ่งเวลาเขาชนกันเราโกรธไหมไก็ไม่ใช่ของเราพ <c oughs> <c oughs> อเป็นของเราโกรธนะเออแต่ก็บบช่วยได้นะเพราะว่าเมื่อไม่นานเนี่ยรถมอเตอร์ไซค์มาชนรถ ก็ไม่โกรธเพราะว่าเขาก็หนีไปเลยแล้วเราก็ไม่ได้แล้วก็ช่างมันก็ไปเคลมเอาอย่างนี้ไม่ได้โกรไม่ได้คิดที่จะตายนอก็ดีดีแต่ยธรรมะก็ช่วยได้บางทีชนกันแล้วมาเถียงกันปากเปียกปากฉี่รันก็คงตกใจแล้วก็ไปเลยอืมในในกายเวทนาจิตธรรมนี่แหละครับผมจิตนี่นะครับ ข อ, อตัวอย่างที่ว่าพิจรารณาไปรับธุรกินะลยครับคือพูดความจริงเนี่ยเรียนหนังสือเรายัางอยู่ปหนึ่งเราอย่าไปกังวลถึงขั้นปสามปสี่เลยเพราะว่าเรายัางยังปฏิบัติไม่ได้หรอกปอหนึ่งก็เอากายให้ได้ก่อนปล่อยวางร่างกายให้ได้ก่อนแล้วค่อยไปปอสองไปปล่อยวางเวทนาทุกเวทนา เวลาร่างกายเจ็บไข้ได้ป่ว ย, ยไม่ทุกข์กับมันได้ไหมขันที่สามถึงจะไปที่จิตจิตก็คืออารมณ์ที่มีอยู่ในใจเราที่เปลี่ยนไปเปลี่ยนมาอยู่เรื่อยๆบางทีก็หงุดหงิดลำคานใจบางทีก็แจ่มใสเบิกบานบางทีก็วุ่นวายขุ่นมัวนี่ก็เรียกว่าจิตทั่งนั้นให้เราเห็นอารมณ์เหล่านี้ว่าเป็นไม่เที่ยงเป็นเหมือนฝนฟ้าอากาศอย่าไปทุกข์กับมันอย่าไปอยากให้มันเป็นอย่างอื่น มันจะเป็นอะไรก็เป็นตอนนั้นมันจิตเข้าไปข้างในแล้วตอนนี้จิตเรายังอยู่ที่ร่างกายมันไม่เข้าไปที่จิตหรอกงั้นมันไปไปไปแก้ปัญหาในจิตยังไม่ได้มันต้องมาแก้ปัญหาที่ร่างกายนี้ให้ได้ก่อน <c oughs> ต้องกาย <c oughs> เวทนาจิตมันถึงเข้าไปเราจะเข้าไปถึงธรรมธรรมก็คืออริยสัจสี่ตอนนั้นพอมันเข้าไปถึงจิตแล้ว มันเข้าไปถึงธรรมแล้วมันจะเห็นอริยสัจสี่ทำงานตลอดเวลาอตอนนี้เรายังไม่เห็นมันทำงานตลอดเวลาทำเราก็หยุดมันไม่ได้แต่ถ้าเราเข้าไปถึงตัวธรรมแล้วเราหยุดมันได้พ อ, มอมสมุดทายโผล่ขึ้นมาปั๊บเรามีสติก็หยุดมันปั๊บได้เลยเวลางดเงียก็ เรามักจะเรานักจะมีปฏิกิริยากับการหงุดหงิดแต่ถ้าเราไปถึงตัวนะั้นเราจะรู้ว่าเอาต้องเฉยอย่างเดียวรู้เฉยๆหงุดหงิดก็ให้มันหงุดหงิดไปพอเราเฉยๆปั๊บเดี๋ยวมันหงุดหงิดไม่ง่าหายไปถ้าไปอยากให้มันหายมันยิ่งหงุดหงิดใหญ่ยังนนเนี่ยมันเป็นการเรียนหนังสือเหมือนป .1 ป .2 ป .3 ป .4 ขั้นแรกเอาให้ผ่านป .1 ให้ได้ก่อน ผ่านร่างกายให้ได้ก่อนผ่านความตายให้ได้ก่อนอันที่สองก็ผ่านความเจ็บอาเนะคิดว่าจะพักช่วงแรกก่อนจะให้พรยะถาวะริวะหาปุราประริปุเรนติสักะลังเอวเมวะอิตทินังเปตานังอุปกาปะติ อจิตังปัติต um ังตุ მ หังคิปะเมวะสมิจจัตุสัพเพปุเรนตุสังกะปาจันโทปนะระโสยถามณิโชติระโสยถาสัพพีต so ิโยวิวัจจันตุสัพพะโรโควินัสตุมาเตภวตวันตรายสุขีทีฆายุโกภวะ อาพิวาธนาีิริสานิจังวุธาปจายโนจตารธรมมวะทาติอายุวโนสุขังพลรังมาจากที่ไหนกันมาจากกรุงเทพครับเเคยมารืเปล่าเ็นไม่เคยครับครั้งแรกครับผมติดตามทางเฟซบุกมาเลย มาเีพ่อน้นแล้วครับอตอนนี้มนยัม่รู้อยูอ่พยายามดึงจิตไว้อย่าให้คิดปุ่มแต่งให้สัก์ต่ว่ารู้ไปให้ดึงตัวรู้ออกมาหยุดตัวคิดตัวรู้มันก็จะออกมาชัดขึ้นชัดขึ้นเราจะพัฒนามันไปยางี้นั่งสมาธิต่อมันมีสติแล้วต้องพยายามนั่งบ่อยๆนั่งหลับตาดูลมหายใจเข้าออกก็ได้ พูดโทไปก็ได้เครื่องอยู่ไปก็เนี่ยสมาธิคือเครื่องอยู่ของเราชอบท่องนามูตสระได้ได้คือจะท่องอยู่ที่ไหนนามูตสระแทนพูดโธได้ <ijo. S 2> เพื่อไม่ให้คิดถึงเรื่องราวต่างๆแล้วก็ต้องนั่งนิ่งๆเฉยๆนั่งหลับตาถึงจะสงบได้เต็มที่จะบางครั้งเิ็มก็ไม่อยู่ที่กาย อย่าไปให้มันไปให้อยู่ที่เดียวก็อยู่กับ น, นโมก็ให้อยู่กับ น, น้โมไปอย่างเดียวตอนต้นนี่เราไม่ต้องการให้มันไปเพ่งพาดเราต้องการเด็กมือนไว้ให้มันอยู่จุดเดียวอยู่เรื่องเดียวอ่มามีคำถามไหมคาถามจาก y o youtube คาถามจาก a c e b o o k ไลฟ์นะคะจากอินบ็อกซ์นะคะพี่สาวนังน่งวิปัสนาหนึ่งสิบห้าวัน โดยไปเข้าคอร์สต่อมาเธอมีอาการผิดปกติไม่ดื่มน้ำไม่ทานอาหารจนไม่สบายต้องเข้าไอซคุณหมอบอกว่าคนไข้มีปัญหาด้านจิตใจลูกอยากพาไปกะพระจานาร์วันนี้แต่เธอบอกไม่พร้อมมีธรรมะโอสถอันใดที่คอจะทำให้เธออาการดีขึ้นกลับมาสู่โลกของความจริงคะก็ต้องดึงจิตให้กลับมามีสติก่อนอย่าปล่อยให้จิต ไปกับความคิดปรุงแต่งให้หยุดความคิดปรุงแต่งให้สงบอารมณ์สงบสติอารมณ์ถ้าจิตสงบแล้วจะมีความรู้สึกปกติรู้สึกสบายอันนี้พยายามให้เขาพยายามให้เขามีสติอยู่กับพุทโธหรืออยู่กับอะไรอย่างใดอย่างหนึ่งสวดมนต์ไปก็ได้แต่ต้องสวดยาวๆนะ เพิ่งมีข่าวมีภาพรูปนึงท่านก็มีสติฟั่นเฟือนไปอาจารย์ท่านเ จ, จับมานั่งสวดมนต์ทีศละสามชั่วโมง ส, ส่วนไปสักษามชั่วโมงรู้สึกจิตสงบจิตเบาจิตหายหายฟุ้งซ่า น, นอาการต่างๆมันเกิดจากความฟุ้งซ่านคิดคิดไปคิดมากคิดจนกระทั่งสับสนไปหมดไม่รู้ต้นรู้ปลายก็เลยหยุดมันต้องหยุดความคิด ย่งคิดมันยิ่งเหมือนกับงูพันรัดตัวเราหรือเชือกยิ่งแก้มันแทนที่มันจะมันจะเบาออกบางมันกับนัดเราเข้าไปแน่นใหญ่วิธีจะแก้ความฟุ้งซ่านความสับสนต่างๆก็คือหยุดคิดซะพุทโธพุทโธไปหรือสวดถ้าพุทโธไม่ได้ก็สวดมนต์ไปนั่งสวดมนต์ไปยาวๆเลยสองสามชั่วโมงรับรองได้เห็นผลทันตาเลยถ้าจะทำกันจริงๆนี้ต้องเอาเอากันแบบ หนักๆเลยคนไข้หนักนียาก็ต้องหนักลองให้เขานั่งสวดมนต์ได้ถ้าเขานั่งเองได้สามชั่วโมงนี่จิตต้องต้องว่างต้องเย็นต้องสบายนะอ่าทางเฟซบุ๊กต่อคำถามจากเฟซบุ๊กไลฟ์นะคะจากผู้ไม่ประสงออกนาม ตอนที่กรรมประมวลผลตอนใกล้าตายจะใช้ผลบุญบาปที่สะสมไว้ในอดีตชาติมาคำนวณใหม่คะเหมือนขาดทุนสะสมหรือดอกเบี้ยสะสมหรือใช้เฉพาะชาตินี้แต่เข้าใจว่าถ้าเราทำกรรมฝ่ายดีมากๆในชาติปัจจุบันเช่นบรรลุอรหันต์กรรมที่เคยทำมาทั้งหมดจะไม่สามารถให้ผลได้หมดในชาติสุดท้ายแล้วกรรมจะเลือกตัวที่จะให้ผลใหมคะเพราะท่านไม่เกิดอีกแล้ว ไม่เกิดอีกแล้วมันก็ไม่มีที่ให้ผลเลยเหมือนกับต้นไม้ถ้าไม่มีดินมันก็โตไม่ได้ดังนั้นก็ถ้าไม่มีที่ให้กรรมแสดงมันก็ไม่แสดงนั่นอว่ามาภาษาคำถามจาก y ย u ทูบไลฟ์่าจากคุณวิรัตขออธิบายขออุบายพิจารณาความกลัวด้วยค่ะเออความกลัว เวลาเกิดความกลัวนี่ตอนต้นนี้อย่าเพิ่งไปพิจารณาหยุดความกลัวก่อนด้วยการใช้พุโทโธอย่าให้ใจคิดถึงสิ่งที่ทำให้เรากลัวถ้าเราหยุดความกลัวได้ด้วยการใช้พุโทโธขั้นต่อไปเราก็มาพิจารณาว่าเรากลัวอะไระเรากลัวตายหรือกลัวอะไระส่วนใหญ่ก็กลัวตายกันทั้งนั้นถ้ากลัวตายแล้วละาห้ามมันได้หรือเปล่าความตาย เมื่อห้าไม่ได้ก็ยอมตายซะเมื่อถึงเวลาก็ต้องตายทุกคนตายได้ทุกคนเด็กก็ยังตายเป็นเลยเด็กสองขวบเด็กหนึ่งขวบเด็กหกเดือนเขาเวลาก็ตายเขาก็ตายกันะความตายไม่ใช่เป็นปัญหาความกลัวตายใงหางที่เป็นปัญหาเราต้องมาหยุดความกลัวตายกันด้วยการยอมรับความตายกันแล้ววิธีที่จะทําให้เราตายได้อย่างสบายก็คือมองร่างกายว่ามันไม่ใช่ตัวเราของเรา มันเป็นของพ่อของแม่เป็นของขวัญเป็นเหมือนตุ๊กตา kardeşim, เวลาวันเกิดพ่อแม่ก็ซื้อตุ๊กตามาให้เราแล้วเราก็ไปหลงคิดว่าเป็นตัวเราขึ้นมาท่า น, นี้เราก็ต้องมาแก้ว่าคอยเตือนใจสอนใจอยู่เรื่อยๆว่าร่างกายนี้ไม่ใช่ตัวเราเป็นของขวัญที่พ่อแม่ให้เรามา<ๆ>แล้วสักวันหนึ่งร่างกายนี้ก็ต้องตายจากเราไปเราก็ต้องยอมตายกันยอมให้มันตายเราไม่ได้ตายไปกับร่างกาย เราเป็นผู้รับของขวัญจะกลายเป็นของขวัญขึ้นมาได้ยังไงใช่ไหมพอไม่ให้ตุ๊กาตาเรามาแล้วเราจะกลายเป็นตุ๊กาตาได้ยังไงที่ว่ากลายเป็นตุ๊กาตาเพราะความหลงของเราเองไปคิดว่าเราเป็นตุ๊กาตานนี่คือวิธีที่จะทำให้เราไม่กลัวตายกันคงถามจากคุณสุวรรณาเมื่อเริ่มนั่งสมาธิได้ใช้คำบิกรรมพุโทโธ จนจิตน <ME> okay. hm ิ่งแล้วมองดูจิตกับลมหายใจเป็นคนละส่วนกันอันนี้ถูกต <me> ้องหรือไม่คะและเมื่อจิตนิ่งบางครั้งคำพุทโธก็หายไปเหลือแต่ความว่างเฉยๆคำถามคือเรามองดูความว่างเฉยๆหรือว่าต้องดึงพุทโธกลับมาบริกรรมอีกคะแล้วเมื่อเป็นความว่างเฉยๆเราต้องทำอย่างไรต่อคะก็ให้อยู่กับความว่างนั้นไปไม่ต้องไปดึงพุทโธกลับมา พุโทโธนี้เป็นตัวให้เราเดินเข้าหาความว่างพอเราเข้าถึงตัวความว่างแล้วเราก็หยุดพุโทโธให้อยู่กับความว่างไปถ้าจิตไม่คิดอะไรก็ให้มันอยู่อย่างนั้นไปนานๆมันจะต้องบอกว่ามันมีความสุขถึงจะถูกถ้าว่างยังไม่สุขก็แสดงว่ายังไม่ว่างจริงยังไม่ว่างเต็มที่ก็ประครับประคองความว่างนั้นไปอย่าให้มันไปคิดปรุงแต่งก็แล้วกันแล้วเดี๋ยวมันก็จะ ตกลุมตกบ่อลงไปแล้วมันก็จะว่างจริงๆแล้วมันก็จะสบายคำถามจากคุณเดียมุสาวาทารวมถึงการพูดยาเพิรเจอร์พูดไม่จริงด้วยไหมครับไม่หรอกในศิลหางก็เพียงแต่ไม่พูดปดเท่านั้นเองพูดเพิรเจอร์พูดยาพูดพูดพรุลวกสาวพูดพูดสอเสียนนี่เป็นอยู่ใน อ, ก, อกุศลคุกรรม ข้างขำจากคุณน้ำมนตพระหรือโยมที่ไปรักษาสิ่งแปลกอยู่วัดสามารถกินสาหร่ายหรือเม็ดทานตะวันตอนบ่ายได้ไหมคะก็อยู่ที่ว่าเขาแปลว่าสาหร่ายกับเม็ดทานตะวันว่าเป็นยาหรือเป็นอาหารถ้าเขาแปลว่าเป็นยาก็กินได้ถ้าเป็นอาหารก็กินไม่ได้เน้นของอย่างนี้กินเป็นยาได้กินเป็นอาหารได้ ก็แล้วแต่ว่าเขาจะจําแนกไว้อยู่ในกลุ่มไหนถ้าอยู่ในกลุ่มของอาหารก็กินไม่ได้เช่นใบพลูนี่เขาเขาว่ากินได้ใบพลูนี่ถือว่าเป็นยายามะขามก็ได้อ่ามะขามมะกรอกอันนี้บางทีแต่ถ้าปฏิบัติจริงๆแล้วก็อย่าไปกินมันดีกว่ามันก็เป็นช่องของกิเลสหลอกให้เรามันกินเจแล้วก็ไปทําเจให้ไปเหมือนเนื้อสัตว์เนี่ย ไปทํามันทําไมไปกินเจหรือไม่ไปกินเ จ, นเจแต่ทําให้มันเหมือนขาไก่เหมือนปลาทอดไปอย่าไ ป, อ ย, าไปอย่าไปกินเจดีกว่าใจมันก็ยังกินเนื้อสัตว์อยู่นั่นแหละอันนี้ก็เหมือนกันถ้าถือศีลแปดไม่กินอาหารหลังเที่ยงมัแล้วก็อย่าไปกินอะไรมันเลยหมดเรื่องเอาแต่น้ําปลานะาก็พอดื่มน้านําปานะาน้ําผลไม้ครั้นคั้นแล้วก็กองอย่าให้มีเนื้อน้ำผล ผลไม้ก็ต้องไม่ใหญ่กว่าก ำ, กำปั้นหรือถ้าไม่กินมันไม่เดือมมันได้ยิ่งดีใหญ่อย่างครูบาอาจารย์เวลาท่านไปที่วดงในป่านี่ท่านไม่มีไม่มีปานกปานะไม่มีไม่มีสาหรายไม่มีเม็ดอะไรหรอกท่านมีแต่ภาวนาอย่างเดียวเราอย่ามาเสียเวลากับการมาคิดเรือ่องการกินแล้ว <c oughs> <c oughs> ควรจะเอาเวลาไปภาวนาพุทโธพุทโธทดีกว่า คำถามจากคุณพิมพรถ้าเราทําบุญวันเกิดซื้อของถวายพระเช่นทูบเทียนหรือของใช้แด่พระสงฆ์หรือทำโรงทานถามว่าทําอย่างไหนได้บุญมากกว่าหรือได้เท่ากันเจ้าคะเกิการทําบุญมันก็ต้องดูผู้รับด้วยว่าเป็นประโยชน์หรือไม่ถ้าให้ของที่มันไม่เป็นประโยชน์มันก็ผู้รับก็ไม่ได้ประโยชน์อะไรจากการทําบุญของเรา แต่บุญเราก็ได้อยู่เหมือนเดิมเพราะบุญคือการเสียสละอันนี้เราจะเสียสละอะไรให้กับใครนี้เราได้ได้บุญแต่บางทีเราทำบุญเราก็อยากจะให้คนรับได้ประโยชน์ด้วยไม่ใช่แต่คิดแต่ถึงบุญของเราเพียงอย่างเดียวเราก็ต้องคิดของถึงคนที่เขารับด้วยเะนั้นก่อนที่เราจะให้ของอะไรใครเราควรจะศึกษาดูก่อนว่าคนนี้เขารับสิ่งนี้ได้หรือเปล่าเขาขาดสิ่งนี้หรือเปล่าเขาต้องการสิ่งนี้หรือเปล่า ถ้าเรารู้มันก็จะทำให้เรารู้สึกมีความสุขมากขึ้นว่าเราได้ทำให้ของที่เขาได้ใช้จริงๆได้รับประโยชน์จริงๆมันก็จะทำให้บุญนี้มันรู้สึกมากขึ้นกว่าเดิมถ้าทำแบบไม่รู้ว่าเข า, เาไปใช้หรือเปล่าเขาใช้ได้หรือเปล่ามันก็ยังมีความสุขเหมือนกันแต่มันไม่สุขมากเหมือนกับรู้ว่าเขาเขาจะได้เอาไปบรรเทาความทุกข์ของเขาอย่างี้อย่างนี้ก็แต่บุญจริงๆก็คือ จำนวนของหรือเงินที่เราเสียสละไปเนี่ยเป็นตัวบุญส่วนผู้รับนี้เราจะให้ใครก็ไม่สำคัญรตัวบุญนี่อยู่ที่ตัวของว่าเป็นของของเราและเรายอมเสียสละของนี้ไปให้กับคนอื่นไม่ว่าจะเป็นเงินทองก็ได้เป็นท่าของก็ได้สุดแท้แต่เรามีอะไรแล้วก็บุญนี่จะม า, จะจะมากจะน้อยก็อยู่ที่ของที่เราให้ไปว่าเรารักมากหรือรักน้อย ถ้าเรารักน้อยก็รู้สึกบุญน้อยถ้ารักมากก็จะได้บุญมากเช่นให้เงินนี้อาจจะไม่ได้ไม่ได้รักเหมือนกับรักแฟนนี้ถ้าให้แฟนก็ไปได้นี่จะรู้สึกว่าสุขมากกว่าให้เงินเพราะว่าเราเราไม่ได้รักเงินเท่ากับเรารักแฟนถ้าเรายอมเสียแฟนไปนี่แสดงว่าโอ้ oh, ใจเรานี่ถึงมันก็บุญก็จะเกิดความสุขขึ้นมาอย่างหลวงปู่ขาวเนี่ยท่านก็มีภรรยา อาจารย์ก็ไปจับไปเจอเขามีจู๋จีกันตอนต้นท่านาเขาจะเป็นลมจะหน้ามืดจะอยากจะฆ่าเขาก็ได้สติว่าเขาเพียงแต่พระพุทธผิดประเวณีแต่เราไปฆ่าเขานี่เราทําบาปหนักกว่าเขาอีกท่านก็เลยได้สติเห็นความทุกข์ที่เกิดจากการมีแฟนก็เลยว่าทําบุญดีกว่าเอยกแฟนให้เขาไปเลยเแต่ยกได้แล้วใจก็โล่งเบาสบาย ความทุกข์ความโกรธเกลียดหายไปหมดเลยถ้าอยากยกให้อยู่แล้วก็ไม่ได้ก็ได้ก็ดีใจ้มีคนรับใครก็สบายถ้ามีคนรับก็ดีที่ก็ก็ได้ก็ดีเหมือนกันอันนี้คือพูดถึงว่าผลที่เกิดกับใจเราเนี่ยถ้าอยากจะได้ผลมากเนี่ยเกิดจากการเสียสละสิ่งที่เรารักมาก หลัจากแฟนก็คือร่างกายของเราเนี่ยถ้ายอมตายเนี่ยโอ้โหใจนี่มันจะมีความสุขมากเยเวลาเราไปกลัวตายแล้วเรายอมตายเนี่ยโอโ้ใจจะเบาใจจะสบายมีความสุขนั่นแหละคือบุญคำถามจากคุณยุง้งฝาถ้าหากฝึกถ้าหากฝึกให้มีสติอยู่กับจิตเดิมให้ตลอดเช่นนี้แล้วจะได้ไม่ต้องกลับมาเกิดอีกได้ไหมครับ ยังหรอกเพราะว่าอยู่กับจิตเดิมนี้ยังไม่ได้ฆ่าตัวตัณหาตัวตัณหามันถูกสติกดไว้นั่นเองต้องปล่อยให้มันออกมาแล้วก็ฝืนมันพอมันอยากจะดูหนังฟังเพลงก็อยากไปดูหนังฟังเพลงต่อไปความอยากดูหนังฟังเพลงหายไปนั่นน่ะมันถึงจะไม่กลับมาเกิดได้แต่ถ้าเรากดมันไว้อยู่ในจิตเดิมพอเราเพ้อสติมันออกมาปั๊บมันก็จะกลับมาอยาก มันก็จะดึงให้เรากลับมาเกิดได้คำถามจากคุณโอถ้าเรารู้ว่าเราจะต้องตายแต่เรายังห่วงคนที่เราดูแลอยู่จิตเราจะไปอยู่ที่ไหนเจ้าคะก็อาจจะอยู่ใกล้คนที่เราดูแลก็ได้บางทีก็มาเป็นแมวเป็นหมาเป็นตุ๊กแกเป็นอะไรอยู่ใกล้คนที่เราเป็นห่วงก็ได้คำถามจากคุณวิไลสิ่งมีชีวิตพวกไหนบ้าง ที่ไม่มีจิตคือฆ่าแล้วเราจะไม่บาปเจ้าคะก็พวกต้นไม้ใบหเนี่ยคำถามจากคุณพัชราหากการเกิดมาจากตัณหาความอยากพ่อแม่ครูบาอาจารย์ที่ท่านมาจุติเป็นมนุษย์ก็เพราะท่านมีความอยากเกิดมาด้วยหรือไม่ครับกลับขอขอมาพ่อแม่ครูบาอาจารย์หากคําถามไม่ควรเรื่องเกินใดๆลูกขอเรียนถามด้วยความไม่เข้าใจโดยแท้ค่ะตอนที่ท่านมาเกิดท่านก็เป็นเหมือนพวกเราเนี่ยก็มีตัณหาเหมือนกันหนึ่งมาเกิดกัน แต่พอท่านได้มาฟังเทศฟังธรรมแล้วท่านเห็นว่าตัณหาเป็นตัวทําให้ท่านมาเกิดท่านก็บวชกันปฏิบัติกันพอท่านฆ่าตัณหาหมดท่านก็กลายเป็นพระอรหันต์ขึ้นมากลายเป็นครูบาอาจารย์ขึ้นมาพระพุทธเจ้าก็เหมือนกันพระพุทธเจ้าก็มาเกิดเป็นเจ้าชายสิท ธ, ธัตถะก็มีกิเลสตัณหาเหมือนพวกเราเแต่ว่าท่านมีปัญญาท่านเห็นว่าการมาเกิดนี้มันไม่ดีท่านก็เลยอยากจะหาวิธีหยุดการเกิด ท่านก็ไปค้นพบว่าเกิดจากความอยากท่านก็เลยปฏิบัติทำหยุดความอยากทั้งหมดท่านก็เลยกลายเป็นพระพุทธเจ้าขึ้นมาพวกเราทุกคนที่มาเกิดนี่มีมีการมาตัญหาพาให้มาเกิดกันทั้งนั้นแหะมีการมาตัญหาภาวะตัญหาวิภาวะตัญหาแต่อยู่ที่ว่าพอเราเกิดแล้วเราจะทําอะไรกับมันพวกงโง่ก็ส่งเสริมมันพวกเจริญก็ตัดมันฆ่ามัน คำถามจากคุณศ ส, าสมาหยุดและปล่อยวางแล้วจากกิเลสแต่รู้สึกยังไม่สงบไม่สุขเลยเจ้าค่ะควรทำอย่างไรดีคะยังไม่หยุดจริงอ่ะสิยังไม่หยุดจริงหยุดแต่คิดเพราะว่ายังไม่ได้เจอตัวจริงพ อ, อตัวจริงโผล่มาปั๊บก็ตาบมันเลยข่าลบมันเลยทำตามมันสั่งเลยตอนนี้เรานั่งคิดโอ๊ยหยุดได้แล้วหยุดโรคอยากหยุดเที่ยวหยุดอะไรได้คิดไป เดี๋ยวพอถึงเวลาเพื่อนมาชวนเที่ยวปั๊บโอ้ยอยู่ไม่ได้แล้วสิคำถามจากคุณกฤษกรจิตเดิมมีพลังมากกว่าจิตที่กิเลสปรุงแต่ง 80% ทำสิ่งที่เหนือความคาดหมายวงเล็บอภิญญาใช่ไหมครับใช่เวลาสู่จิตเดิมนี่มันสามารถทำอะไรต่างๆได้มีตาทิพย์หูทิพย์มีอะไรต่างๆได้ ถามจากคุณตัพพาภรจะมีวิธีดึงจิตสู่จิตเดิมได้อย่างไรที่เร็วที่สุดคะก็สตินี่แหละพุโทโธนี่แหละพุโทโธไปทั้งวันเลยเมิ่อตาขึ้นมาก็พุโทโธทำอะไรที่ไม่ต้องใช้ความคิดกับพุโทโธไปแล้วอว่างก็นั่งมากๆนั่งบ่อยๆนั่งนานๆเดี๋ยวมันก็จะกลับไปสู่จิตเดิมเองคำถามจากคุณกิจกรจิตเดิมมีพลังงานที่ตรงกับพลังจักรกังวาน วงเล็บธรรมชาติคือจะดึงสิ่งที่ดีงามสิ่งที่ไม่ขาวไม่ดำมาสู่ตัวเราใช่ไหมครับพระอาจารย์อ๋อไม่หรอกจิตเดิมไม่เป็นไม่มีพลังเกี่ยวกับทางจากกักรวาลหรือทางธรรมชาติจิตเดิมมีพลังต่อสู้กับกิเลสตัณหาความอยากต่างๆแต่ต้องมีปัญญาบอกให้รู้ว่ากิเลสตัณหานี้เป็นพิษเป็นภยัยถ้าไม่มีกิเลสตัณหาจิตเดิมก็จะไม่รู้ว่ากิเลสตัณหานี้เป็นพิษเป็นภยัย สมัยก่อนที่พุทธเจ้าจะตรัสรู้นี่คนก็เข้าถึงจิตเดิมกันพว ก, กฤาษีต่างๆเข้าถึงจิตเดิมกันแต่เขาก็ไม่เห็นพิษเป็นเห็นภัยของกิเลสตัณห า, วาเวลาออกจากสมาธิมาพอกิเลสตัณหาออกมาเพ่นพ่านก็ไม่รู้จาวิธีจัด ก, การามันยังไงอันนี้ต้องพระพุทธเจ้าท่านเป็นคนที่เห็นท่านว่าต้องจัต้องหยุดมันอย่าไปทําตามมันแล้วพอหยุดมันแล้วมันก็จะหายไปมันจะหมดไป พอหมดไปแล้วก็จะไม่มีอะไรมาทําสร้างความทุกข์สร้างความวุ่นวายใจให้กับใจต่อไปอันนี้ต้องมีปัญญาถึงจะเห็นโทษเราไม่ถ้าเราไม่มีพระพุทธเจ้ามาบอกพวกเราเราจะเห็นมันเป็นขุนทั้งนั้นใช่ไหมพออยากจะทําอะไรก็ทําตามเลยเพราะทําแล้วมีความสุขเอแต่มันไม่รู้ว่าเป็นความสุขชั่วคราวเป็นความสุขที่ต้องทําซ้ำซากทําแล้วทําอีกทําเท่าไหร่ก็ไม่รู้จักพอมันก็เลยกลายเป็นความทุกข์ขึ้นมาเพราะเวลาทํา เวลาจะทำมันก็ทุกข์แล้วเพราะอยู่เฉยๆไม่ได้เวลาทําก็เหนื่อยบางทีกว่าจะได้สิ่งที่เราอยากได้ก็ต้องไปต่อสู้กันไปแข่งขันกันไปทําอะไรกันแล้วพอได้มาปั๊บเดี๋ยวเดียวก็หมดละแล้วเดี๋ยวก็ต้องเอาใหม่เเราไม่เห็นความทุกข์ที่เกิดจากการทําตามความอยากแล้วถูกความหลงหลอกให้เราเห็นว่าเป็นความสุขแต่คนฉลาดจะเห็นว่ามันเป็นความทุกข์ก็ต้องหยุดมันถ้าไม่มีพระพุทธเจ้ามาสอนพวกเราเราก็จะไม่หยุดมัน เราก็อย่าทำตามมันทุกครั้งเวลาเราออกจากสมาธิมาพออยากจะกินอะไรก็กินเลยอยากจะดื่มอะไรก็ดื่มเลยคำถามจากคุณวริศข้อที่หนึ่งคารวาสามารถบรรลุเป็นพระอรหันต์แล้วมีอายุอยู่เกินเจ็ดวันได้ไหมครับได้มันไม่เกี่ยวกันเจ็ดวงเจ็ดวันหรอกพระอรหรันต์ข้อที่สองพระอริยะ ที่เป็นพระกับที่เป็นคาราวาสลักษณะของจิตและการปฏิบัติเหมือนหรือแตกต่างหรือไม่อย่างไรจิตเหมือนกันอะโสดาบันจะเป็นพระหรือเป็นคาราวาสก็โสดาบันเหมือนกันเองแต่สายเครื่องแบบไม่เหมือนกันเท่านี้ถ้าเป็นพระก็โกนหัวนุ่งเหลืองถ้าเป็นโยมก็เป็นโยมเป็นปกติแต่ใจเหมือนกันใจไม่กลัวตายใจไม่กลัวเจ็บเหมือนกันคําถามจากคุณแทน เมื่อมีอารมณ์ราคะโทสะจะรู้สึกถึงความร้อนและความบีบขันเกิดขึ้นภายในกายที่บริเวณเหนือสะดือจึงพิจารณาตามดูเห็นความไม่เที่ยงความร้อนที่เกิดขึ้นก็เย็นตัวลงไม่ทราบว่าพิจารณาถูกต้องหรือไม่ครับก็ต้องไปหยุดไอ้นี่ต้นเหตุจะไปหยุดที่ปลายเหตุต้องไปหยุดที่ความโลภความโกรธก็หยุดที่ราคะไม่งั้นเดียวมันก็กลับมาใหม่ วิธีจะหยุดราคะก็คือต้องพิจารณาอสุภะเวลาเกิดการมาราคะเกิดความอยากจะเสกการนี้ก็ต้องพิจารณาอสุภะคือความไม่สวยงามของร่างกายถ้าเห็นร่างกายไม่สวยงามมันก็จะหยุดการมาราคะได้แล้วมันก็จะหยุดอย่างถาวรถ้าไปเพ่งดูที่ที่ปลายเหตุมันอาจจะทำให้เราหยุดสร้างเหตุที่ต้นเหตุได้แต่หยุดชั่วคราว มันกับเวลาเราเจ็บตรงไหนแล้วเราพุโทโธพุโทโธไปะความเจ็บมันเดี๋ยวก็อาจจะหายไปหรือแม้กระทั่งความทุกข์ใจที่เกี่ยวกับความเจ็บมันก็จะหายไปให้มันจะหายไปชั่วคราวเดี๋ยวมันก็จะกลับมาใหม่คำถามจากคุณทวิชาวันก่อนพระอาจารย์เทศถึงคนที่คิดว่าตัวเองบรรลุทรรแล้วหนูมีเพื่อนเขาบอกว่าเขาปฏิบัติสำเร็จแล้วไม่เห็นความเป็นตัวเป็นตนแล้ว แต่เขายังมีกิเลสแสวงหาทรัพย์อยู่เลยค่ะโดยบอกว่าเพื่อมาบํารุงพุทธศาสนาและเขาก็ทําบุญจริงค่ะหนูจะช่วยเขาอย่างไรดีคะเขาคงเข้าใจผิดจริงๆค่ะที่รักทไมเขาล้อมความช่วยเหลือก็ไม่ได้ไปช่วยเขาหรอกเขาอยากจะช่วยเรามากกว่าเพราะเขาคิดว่าเขาสําเร็จแล้วเรายังไม่สําเร็จคํา <laughs> ถามจากคุณวรารักษ์การถือศีล นั่งสมาธิที่บ้านได้ไหมคะได้ที่ไหนก็ได้ขอให้ที่มันสงบเท่านั้นอ่ะเพราะถ้าที่ไม่สงบมันจะไม่สําเร็จมันจะยากถ้าที่ไหนมันสงบไม่มีอะไรมันบรบกวนก็ได้ทั้งนั้นคำถามจากคุณแนตตี้ดิฉันอยากทราบว่าการนอนสมาธิและทําให้ได้เจอภูเขาและดวงอาทิตย์กําลังโผล่ขึ้นมาดิฉันไม่ทราบว่าจะทํายังไงเลยลืมตาขึ้นมาเพราะกลัว อยากทราบว่าถ้าเราเจอในลักษณะนี้เราควรทำแบบไหนดีคะคือนอนสมาธินี่หนึ่งมันจะทำให้หลับถ้าไม่หลับมันก็ถ้าเห็นหนู่นเห็นนี่ก็แสดงว่าไม่มีอะไรควบคุมใจไม่มีพุทโธหรือไม่มีการดูลมหายใจเข้าออกปล่อยให้ใจจินตนาการไปนั่งแบบนี้ก็ไม่เกิดประโยชน์อะไรนอนแบบนี้ก็ไม่เกิดประโยชน์อะไร ต้องมีสติควบคุมใจใจถึงจะสงบใจถึงจะว่างใจจะถึงถึงจิตเดิมได้ถึงตัวรู้ได้ข้อถามจากคุณเข็นสอนจะปรับระดับจิตระดับใจอย่างไรเ <c oughs> มื่อหนูมีคนในครอบครัวเป็นบ้าโรคจิตไม่แสดงออกกันทั้งบ้านเจ้าค่ะก็ไปอยู่ที่อื่นนี่แยกไปอยู่ที่อื่น คนที่เขามีครอบครัวก็ยังแยกกันไปได้เราทำไมเราแยากไปไม่ได้ใช่ไะมคน <c oughs> ในบ้านพอใครแต่งงานเขาก็ให้แยกไปอยู่ที่อื่นได้พอเราจะไปอยู่วัดทำไมเราจะไปไม่ได้ก็ไปสิถึงเวลาเราก็ไปการแยกไปนี้ไม่ได้หมายความว่าเราไม่เครารพกันหรือเราไม่มีความห่วงใ ย, ยกันหรือไม่ดูแลกันแต่เมื่อยังไม่ถึงเวลาจะต้องดูแลกันก็ต่างคนต่างอยู่กันไปสิ ถึงเวลาเขาเดือดร้อนเราก็ต้องมาดูแลกันไปคำถามจากคุณอชัชราน้ำมะพร้าวอ่อนถวายพระได้ไหมคะได้ต้องเป็นตอนเช้าเพราะว่านะ้ำมะพร้าวนี่ไม่ถือว่าเป็นน้ะนะําปั้นเพราะมันใหญ่กว่าก้ามปั้นถึงแม้ลูกมะพร้าวจะเป็นลูกเล็กก็ไม่ได้นะเดี <c oughs> <c oughs> ๋ยวจะมาเล่นสีถนนชัย <c oughs> <c oughs> เดีย๋ยวนี้มีมาพาพพันธุ์เล็กๆขนาดกำปั้นแล้วก็มาถวายให้ฉันตอน่ายนี่ก็ไม่ได้ก็แล้วต้องดูผลขนาดเขามันขนาดมาตรฐานทั่วไปอแตงส้มโอนี่ก็ไม่ได้คาถามจากคุณสุวรรณาอยากชักนำให้สามีซึ่งเป็นชาวต่างชาติเข้ามาเรียนรู้ทำการทำสมาธิ จะมีแนวทางไหนที่จะชักชวนดีคะเพราะเห็นเวลาเขาทำงานมา ก, มากๆกแเครียดรู้สึกสงสารอยากให้เห็นทําเหมือนเราเจ้าคะ่ะก็ก็เวลาเราไปเที่ยวกันทาไมเราชวนกันไปได้เราชวนมานั่งสมาธิทาไมชวนไม่ได้ถ้าไม่ได้ก็แสดงเขาไม่อยากก็ก็ช่วยไม่ได้เราก็แต่ละคนก็มีความชอบไม่ชอบอะไรต่างกันไป เราชอบอย่างนี้เขาอาจจะไม่ชอบอนี้เราชวนเข้ามาเขาก็อาจจะไม่มาก็ได้นอกจากเราฉลาดเราก็ใช้อุบายขอร้องให้เข้ามาเป็นเพื่อนเราบอกอยู่ฉันอยู่คนเดียวไม่ได้ฉันปฏิบัติคนเดียวไม่ได้ต้องมีเพื่อนปฏิบัติ ด, ด้วยอยู่มามาเป็นเพื่อนปฏิบัติกับฉันได้ไหมถ้าเขานักเราก็อยากจะช่วยเราก็ได้นะทำยังไงก็ต้องใช้อุบาย คือบางทีเขาไม่อยากจะทําให้กับตัวเขาเองแต่เขารักเราเขาอยากจะทําให้กับเราเขาอาจจะมาทํารวปกับเราก็ได้คํถาถามจากคุณกิตสกร์กลไกอะไรที่ทําให้เราเข้าถึงจิตเดิมถึงต้องใช้ความพยายามอย่างมากครับก็เนี่ยสติไงเราต้องใช้สติดึงใจหยุดความคิดความคิดจะจะดึงใจให้ออกจากจิตเดิมงั้นถ้าเราจะให้ใจจับเข้าสู่จิตเดิมเราก็ต้องใช้สติดึงกลับหยุดความคิด พอไม่มีความคิดจิตมันก็ไม่ออกมาคํถาถามจากคุณสาสิมาหยุดความอยากเท่ากับละทิ้งซึ่งกิเลสใช่ไหมเจ้าคะนั่นแหละความอยากก็คือกิเลสเนี่ยคําถามจากคุณสิมีภาพนิมีขณะนั่งสมาธิมีบ่อยมากทําอย่างไรคะอย่าไปสนใจให้อยู่กับลมไปอยู่กับพุทโธไปคํถาถามจากคุณเข็มสอน เราจะทราบได้อย่างไรเจ้าคบว่าว่าเจ้ากรรมในเวรหลักเหล่าสรรพสัตว์น้อยใหญ่ระดับไหนที่สามารถรับส่วนบุญส่วนกุศลที่หนูแผ่ไปให้ทุกครั้งที่แผ่ไปให้ค่ะเขาต้องเป็นเปรตเท่านั้นก็าถึงจะมารับมารับได้ถ้าเขาเป็นอย่างอื่นเขาก็ไม่ต้องมารับหรือเข้ามารับไม่ได้เช่นไปถ้าเขาอยู่ในโนรกเกเหมอนติดคุกติดตารางถ้าเขาไปเป็นเดรัจฉานเขาก็หากินของเขาเองได้ เขาก็เป็นเทวดาเขาก็เป็นเศรษฐีบุญเ้าก็ไม่ต้องมาเรารับส่วนบุญต้องเป็นขอทานเป็นเปรตเปรต น, นี้เขาเรียกว่าขอทานทางจิตตวิญญาณคําถามจากคุณเต้การปลามาตลบหลู่พระอริยะสงฆ์ในใจเป็นบาปหรือไม่ครับและควรแก้ไขยอย่างไรดีครับก็ไม่บาปนะเพียงแต่ว่าจะไม่ได้รับประโยชน์จากท่านเพราะเมื่อเราปลามาตท่านก็แสดงว่าเราไม่ศรัทธาเราไม่เชื่อ เราก็จะไม่เข้าหาท่านเหมือนกับเราปรามาสมหาเศรษฐีเราก็ไม่หามหาเศรษฐีเราก็จะไม่ได้เงินจากมหาเศรษฐีก็เท่านั้นเองไม่ได้บาปอะไรแต่เราตัดตัดโอ ก, กาสของเราไปโดยใช่เหตุคำถามจากคุณกมลในการทำบุญมาดาบิดาเสียชีวิตครบหนึ่งปีจําเป็นไหมคะที่จะต้องทำบุญเลี้ยงพระทำบุญด้วยวิธีอื่นๆได้ไหมคะ ได้วิธีไหนก็ได้ขอให้เราบริจากทรัพย์สมบัติเข้าของเงินทองประโยชน์สุด ข, ของเราให้แก่ผู้อื่นไปเอาอีกสักสองสามคำถามก็พอหมดหรือยังในหนึ่งคำถามโอเคอ่าคำถามจากคุณวาริดเจ้ากรรมในเวนจะสามารถปรากฏบนร่างกายโดยมาเป็นความเจ็บปวดได้ไหมครับเคยเห็นคนที่ทำการทดลองกับกระต่ายโดยการเจาะหัวใจเข้าไป เวลามานั่งสมาธิเขารู้สึกเจ็บหัวใจในจุดๆนั้นอันนี้เกี่ยวข้องกันหรือไม่ครับมันเป็นอุปทานมากกว่าใจเราคิดสร้างมันขึ้นมาเองเจ้า ก, กรรมในเวรนี่ความจริงต้องเจอตัวเขาจริงๆเช่นเจอคนนั้นคนนี้เขาเกียดขี้หน้าเราเขาคอยจะหาเรื่องหาราวกับเรานเรานี่ยขนาดคนนั้นคือเจ้ากรรมนเวรของเราแต่ถ้าไม่มีรูปไม่มีร่างแล้วเรามานั่งคิดกันเองก็เป็นอุปทานปวดแล้วนะ <c oughs> อ า, อาี่คำถามจากคุณมิเชเฉอร์เนพระอาจารย์คะช่วงนี้ใจเป็นอะไรไม่รู้ไม่อยากไปวัดไม่อยากทำบุญมันเกิดความท้อแท้ยังบอกไม่ถูกมีอะไรให้ใจมันเหมือนเดิมไหมคะก็ทำใจให้สงบนะเราอาจจะไปรับข่าวสารหรือเหตุการณ์ต่างๆที่ทำให้เราเสืส่อมศรัทธากับศาสนาก็ได้นะก็อย่าไปคิดถึงมันพยายามพุโทโธพุโทโธไปทาใจให้สงบ โดยถ้าจะคิดถึงศาสนาก็ให้คิดถึงพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์คิดถึงพระพุทธเจ้ า, าคิดถึงพระอริยสงฆ์แล้วเดี๋ยวความศรัทธาก็จะกลับขึ้นมาเอาละนะก็ขอให้ท่านจงนำเอาสิ่งที่ได้ยินได้ฟังในวันนี้ไปพินิพิจารณาไปปฏิบัติเพื่อความสุขความเจริญก้าวหน้าในธรรมยิ่งยิ่งขึ้นไปเถิด